ข้าเจรพรธนมชีญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอนโมทนาทุกท่านที่ได้ม า, มาสลระเวลาเช้าวันจัามาเพื่อเปิดใจรับฟังธรรมะถือว่าเป็นการเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่นะโดยสิ่งที่เป็นมงคลการฟังธรรมเนี่ย กูเจาแต่ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลอันสูงสุดนี่ไม่ได้มีแค่หนึ่งนะมี38ประการและการฟังธรรมแล้วก็เป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งหรือวการฟังธรรมตามการแล้วก็จะว่าเป็นการทรําบุญเรียกบุญกิริยาวัตถุที่มียร์ที่ส่งมาทำไมจะเริ่มต้นอย่างนี้นะคือเมื่อครั้งที่ พระรุจ้าได้ตัดสรุปใหม่ๆเนี่ยเราคงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์ได้ได้แสดงธรรมให้กับบรจดาวัคีห้าคนรงทงรั้งบรรลุธรรมเป็นพระหรหังแล้วก็จาพรรษาอยู่ที่นั่นนะปายสิกธันตนะนรสทายวันหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ได้เสด็จนะจาริก ไปยังกรุงกบิลพัทอันนี้ตัดท้ายยนยอดระหว่างที่จาริกอยู่เนี่ยพระองค์ได้ประทับอยู่ตรงกลางทางแล้วก็ได้พบกับมานุษย์มานุษย์หนุ่มกลุ่มหนึ่งเขาจะประมาณสาสิบคน มานบเหล่านี้เนี่ยกำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องของเรื่องคือว่ามีการไปเที่ยวกับปิกนิกันะแล้วก็มานบหนุแต่ละคนก็ชักชวนผู้หญิงนะไปร่วมสนุกสนานด้วยมีคนหนึ่งนะก็ไปไ ป, ไปจ้างคณิ ก, กาหญิงคณิ ก, กา มามาร่วมสนุกสนานกับตัวเมอนกัมีเป็นคู่คู่ะนะแล้วก็รองที่สนุกสนานกันอยู่เนี้ยขณะที่กลุ่มเรานี่เพลอะนางขันธิกาตัวเนี้ยก็ไปขโมยเอาทรัพย์สินของมานุเหล่านี้ซึ่งเป็นคนร่ารวยคงเป็นเกลือกเงินทองมันนะแล้วก็หนีไปมานบเหล่านี้เนี้ยก็พอรู้เขาก็ตามหา ลองที่ตามหาก็มาเจอมาพบพระพุทธเจ้าซึ่งคนเหล่านี้ไม่รู้จักว่าพระเจ้าเป็นใครแล้วก็ถามว่าท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาแถวนี้บ้างไหมนะพระพเจ้ากาลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งอยู่พระุทธเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็เลยพูดไปว่า ตัดต่อไปว่าท่านพวกท่านเนี่ยแสวงหาตัวเองไม่ดีกว่าหรือนะคนที่กำลังแสวงหากำลังตามล่านะไล่ล่าผู้หญิงเนี่ยพอมีคนพอดิ่งคนพูดเช่นนี้ก็สะดุดใจมา ร, รบเหล่านี้ก็แปลกใจว่าออนัก บ, บวช ท, ท่านนี้พูดแปลง เราจำเป็นต้องแสวงหาตัวเองด้วยหรืออาจจะคิดอยู่ในใจนะแต่ว่าคาพูดเช่นนี้ทำให้ท่านสะดุดใจมันบังหลันี้สะดุดสดุดใจก็เลยสนใจฟังธรรมตากพุทธเจ้าพอฟังแล้วปกอว่าบรรลุธรรมเลยนะบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันอันนี้เป็น เป็นฉากเล็กๆฉากหนึ่งนะในพุทธประวัตินะไม่ทราบว่าจะมีกล่าวถึงไมหมในในหนังเรื่องพระบรมศาสด า, ศานะแต่ถ้ามีก็น่าจะเคิืนใจได้ดีว่าเอ๊ะแสวงหาตัวเองก็มีด้วยหรือแล้วแสวงหาตัวเองนี่มันดีกว่าอย่างไรพวกเราอาจจะไม่ได้แสวงหาผู้หญิงเหมือนกันน้ำมานนหนุมเหล่านั้นแต่การแสวงหาอยา่างอื่นก็ได้ เชนทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศความสำเร็จนะเพราะว่าเราแต่ละคนก็มีภาพวาเกี่ยวกับชีวิตที่หาสุขชีวิตที่เจริญงอกงามไปต่างๆนานานะและคนก็กำลังแสวงหาตำแหน่งนะอยากจะได้เป็นผู้จัดการนะอยากจะได้เป็นหัวหน้าฝ่ายนะหรือว่าอาจจะ ชายหนุม่มถ้าเป็นชายหนุม่มก็ยังแสวงหาหญิงสาวที่จะเป็นผู้ครองหรือหญิงสาวก็อาจจะกำกำแสวงหาชายหนุม่มมาเป็นผู้ครองนะแต่ก็อย่าลืมที่พระเ จ, จ้าตรัสว่าเนี่ยแสวงหาตัวเองไม่ดีก่อนเลยนะทำไมเราต้องแสวงหาตัวเองให้พบนะก็เพราะว่าเมื่อเราพบแล้วเ น, นี่ยเราจะ พบกับพิตรมิีประเสริฐที่สุดของเรานะี่ยเราจะเป็นมิตรกับตัวเองนะได้ง่ายขึ้นคนทุกวันนี้เนี่ยนะแม้จะบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จักตัวเองเลยและยิ่งกว่านั้นก็คือว่า อาจจะเกลียดตัวเองด้วยซ้ำหรือว่าไม่อยากอยู่กับตัวเองทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เวลาเราเราักใครเนี่ยเราก็อยากจะอยู่กับคนนั้นเรารักแม่เราก็อยากจะอยู่กับแม่เรารักแฟนก็อยากอยู่กับแฟนเรารักภาพเครื่องก็อยากจะอยู่กับพรพเครื่องนะดูพาะเครื่องทั้งวันก็มีความสุขนะบางคนรักรถนะรามกินี่เนี่ยล้าน นะก็พิามเนี่ยอยู่กับก็มีความสุ ม, มาพที่อยู่กับรถได้เช็ดรถนะได้ได้ตัดปรับแต่งรถนะหาบ้านให้รถอยู่นะเคยไปบ้านเศรษฐีคนหนึ่งที่ภูเก็ตนี่ลงรถนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็กินนี่เนี่ยเหมืนก็เป็นบ้านเลยนะต้องติดแอร์ให้เขาอยู่ย แ, นะนะแล้วก็อยู่ห้องแอร์นะยี่สสีชั่วโมงนะแล้วก็ต้องระวังไม่ให้หนูเข้ามากัด เพราะว่าหนูเนี่ยม <Yeah. S 2> <Catholic. S 1> no ันเข้ามากัดได้พวกสายไฟเมร่นบ้านที้เป็นบ้านที่โปร่งเป็นมีกระจกทั้งสามด้านนะคือเรารักอะไรเรารักใครเราก็อยากจะอยู่กับสิ่งนั้นคนนั้นใช่ไหมเมื่อเรารักตัวเองเราก็น่าจะอยากอยู่กับตัวเอง แต่สังเกตไามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอยากอยู่กับตัวเองเท่าไหร่แม้ว่าจะอยู่บ้านที่สบายมีอาหารที่อร่อยมีห้องนอนที่สุขสบายแต่ถ้าอยู่กับอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุยนะ ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศนะ์จะรู้สึกยังไงยิ่งสมัยนี้เนี่ยถ้าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับใครต่อใครไม่มี Facebook ไม่มีไลน์ให้ใช้เนี่ยจะรู้สึกอึดอัดกนะระสรับกระส่ายหลายคนเนี่ยอยากจะออกไปเจอผู้คนอยู่ว่างไม่ได้ต้องออกไปเที่ยวห้าง ถ้าเป็นวัยรุ่นก็ถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยนะ mm. เขาจะทรมานมากเพราะโทรศัพท์เนี่ยเป็นช่องทางที่เค่อยได้ติดต่อผู้คน mm. หลายคนทําโน่นทํานี่ถ้าเป็นคนถ้าคนแก่ก็อยากจะถ้าไม่ ม, ถ ม, ม, ถ ม, มนนะีถ้าไม่มีการทํานะอยู่เฉยๆเนี่ยจะมีการกระสับกระส่ายมากต้องหาอะไรทำทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็น ความพยายามที่จะหนีตัวเองเพราะเรารู้จักนะครับว่าหนีตัวเองการไปเที่ยวห้างการไปพูดคุยไปเที่ยวพูดคุยกับใครก็ตามมันเป็นความพยายามที่อยากจะหนีตัวเองอาการแบบนี้เห็นได้ชัดในเวลาไปไปวัดไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมให้อยู่ปกติคนเดียวเนี่ยให้ปฏิบัติธรรมให้เจริญสติตามลมหายใจ แม้จะอยู่ในห้องแอร์สบายแดดไม่ร้อนเสียงไม่ดังแต่ว่าก็จะอ่นอัดกระสับ ก, กระส่ายหรือบางคนถึงขัานทุรนทุรายนั่นเป็นอาการของการที่ไม่สามารถทนอยู่กับตัวเองได้จะพยายามะจะพยายามหาหนทางที่จะหนีตัวเองไปพูดคุยไปคุยเล่นกับใครต่อใครหรือไม่ก็อยากจะหางานทำบางคนก็ หยิบเอาไม้กวาดนี่มากวาดพอ ร, รู้สึกว่าทำแล้วมันสบายใจอันนี้ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของคนที่ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้คำถามกหคืว่าใ น, ในเมื่อเรารักตัวเองทำไมเราไม่อยากอยู่กับตัวเองทำไมเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นะถ้าอยู่เฉยเนี่ยนะไม่ไม่มีอะไรทําหลายคนก็จะจะหลักไปเลย เพราะการหลับนี่ก็เป็นการนีตัวเองแบบอันนี้แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นมิตรกัตัวเองอย่างแท้จริงเพราะถ้าเราเป็นมิตรกตัวเองเนี่ยเราจะเมื่อเราอยู่คนเดียวเราก็สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและเมื่อเราไม่เป็นมิตรกัตัวเองเราไม่ได้รักตัวเองจริงๆเนี่ยเราจะรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะมาค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าการอยู่กับตัวเองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากและที่จริงเนี่ยมันทำให้เกิดความสุข ด, ด้วยเพราะถ้าเราค้นพบตัวเองเรารู้จักตัวเองเนี่ยนะ เราจะมีสันติกับตัวเองเราจะไม่มีเรื่องทะเลาะบ่าแ้งกับตัวเองมากนะเราจะทนอยู่กับตัวเองได้การทนการอยู่กับตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทนนะมันไม่ใช่เรื่องทต้องทนอีกต่อไปมันจะเป็นมากที่เราจะต้องกลับมานะรู้จักตัวเองนะมาค้นพบตัวเองให้เจอ าการรู้จักตัวเองเนี่ยมันมีหลายหลายระดับนะระดับพื้นฐานคือเลยก็คือว่าเห็นหน้าตัวเองในกระจกเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นในกระจกนี่คือเราอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สัตว์หลายชนิดนะไม่มีนะมีสัตว์บางชนิดเท่านั้นแหละที่เห็นหน้าตัวเองในกระจกนี่รู้ว่านั่นคือเรา หมาที่ทำไม่ได้นะไก่ก็ทำไม่ได้เป็ดทำไม่ได้แต่ว่าช้างหรือว่าลิงปลาโลมาเนี่ยทำได้เวลาอย่างช้างเนี่ยเวลาเอาสีแดงเป็ดแต้มอยู่บนหน้าผากมันเนี่ยแล้วให้ให้กระจกแล้วให้มันอยู่หน้ากระจกนี่นะมันจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าไอ้สีแดงแดงนี่คืออะไรมันก็จ้องวงเนี่ยไปไปไ ป, ไปสัมผัสต ร, ตรงจุดสีแดง นันแสดงว่ามันรู้ว่าข้างหน้าภาพที่มันเห็นในกระจกนี่คือตัวมันแต่หมาทําไม่ได้ไ ก, ก่เนี่ยพอเห็นเห็นตัวมันเองในกระจกมันก็จะจิกจิกที่กระจกนงนั่นคือว่าไม่รู้จักตัวเองใช่ไหมคนเราทุกคนเนี่ยทาได้ทั้งนั้นแหละถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กทารกนะอายุประมาณสักสิบปเดือนเนี่ยทำได้ แ, แต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เห็นหน้าตัวในกระจกเนี่ยบางทีก็เอาไปแตกเอามือแตะว่าใครว่าใช่ไหม เด็กทากรกออกมาไม่กี่เดือนเนี่ยจำไม่รู้จักตัวเองเนะในแง่นี้แต่พวกเราทุกคนเนี่ยทำได้นะถ้าเรายังไม่เป็นอัลไซเมอร์นะถ้าเป็นอัลไซเมอร์นี่ไม่แน่นะ mm hmm. พอพอเป็นอัลไซเมอร์ที่จำอะไรไม่ได้เลยนะจำลูกจำแฟนจำคนรักบางทีจำพ่อแม่ไม่ได้เห็นหน้าตัวเองยิงงงัน อ, อะไร รู้จักตัวเองขั้นต่อมาคืว่ารู้ว่าเราเนี่ยมีนิสัยใจคอยอย่างไรมีความถนัดอะไรมีความชอบอะไรบ้างอันนี้ก็ดูเหมือนง่ายแต่เป็นเรื่องยากนะต่อตมาพบ ว, ว่านักศึกษาหลายคนเนี่ยเรียนเรียนอยู่ปีสองปีสามยังไม่รู้เลยว่าตัวเองนียชอบอะไรถนัดอะไร แรกที่คณะที่เรียนเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าเรียนตามเพื่อนเราจะพบปรากฏการณ์นี้มากคือเรียนตามเพื่อนนะจบมาแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถนัดอะไรอยากจะมีอาชีพอะไรจะมีผู้ปกครองหลายคนเนี่มาปรึกษาต่อมาว่าเนี่ยลูกผมจบแล้วนะ เรียนจบแล้วนี่จะให้ก็มีอาชีพอะไรดีคําถามนี้ไม่น่าถามเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยคือคือเด็กเนี่ยน่าจะตอบได้ว่าอยากจะมีอาชีพอะไรเพราะเรียนมานะสิบสองปีในโรงเรียนแล้วเรียนอีกสี่ปีในะมหาทยาลัยเพ้อๆจบปริญญาโทด้วยจบไปแล้วยังไม่รู้เลย ว, ว่าตัวเองเนี่ยควรจะมีอาชีพอะไรหรือว่าอยากจะทําอาชีพอะไร ก็แสดงว่ารู้จักตัวเองเลยนะว่าตัวเองถนัดอะไรนะรู้ตัวเองถนัดอะไรไม่รู้ตัวเองเนี่ยชอบวิชาอะไรอันนี้เป็นปัญหามากนะสำหรับหนุ่มสาวในปัจจุบันบัณฑิตที่จบใหม่นะบางทีเป็นผู้ใหญ่ได้ซ้ํำนะอายุมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยถนัดอะไร ส่วนใหญ่ก็ทําไปตามกระแสะนะมีอาชีพไปตามกระแสะหรือว่าไ ป, ไปตามค่านิยมว่าเออเขว่าอาชีพนี้ทําให้รวยเร็วก็ไปหรือว่าวิชานี้คณะนีนะ้จบแล้วหาเงินง่ายก็ไปแต่ถามว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองต้องการไหมบางทีก็ตอบไม่ได้ว่าตัวต้องการอะไร การรู้ว่าตัวเองมีนิสัยใจคออย่างไรนะอันนี้ก็ก็เหมือนกันนะอัตมาเจอหลายคนมากเลยนะที่ไม่รู้ว่ตัวเองนี่เป็นคนที่พูดมากแต่ว่า ไ, ไม่รู้วตัวเองเป็นคนขี้บน่นนะคนที่อยู่รอบข้างนี่ละอาเลยแต่เจ้าตัวยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้บน่นเราเนี่ยเป็นคนพูดมากหรือว่าหรือว่าเราเนี่เป็นคนที่เ อ, อ เห็นกับตัวอยู่กับตัวเองมาต้องนานเนี่ยนะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้ผลเป็นคนเห็นกับตัวเป็นคนเจ้าอารมณ์มันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าไม่รู้จักตัวเองจากการรู้จักตัวเองระดับที่ลึกไปก่อนนั้นเนี่ย ก็คือการรู้ทันอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอันนี้เริ่มยากยากกว่า อ, อันที่หนึ่งอันที่สองนิสัยเนี่ยนะมันต้องใช้เวลานะิสัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะสมกันมานานยี่สิปีสาสิบปีสีสิบปีเนี่ยมันน่าจะเห็นง่ายเพราะว่าอยู่กับตัวเองมายี่สบปีสาสิบปีสี่สิบปีเนี่ยก็ควรจะรู้ตัวเองมีนิสัยอย่างไร เพราะนิสัยมันมีสามความค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็มีมีความคงที่อยู่พอสมควรแต่อารมณ์ของเราในแต่ละขณะแต่ละขณะหรือว่าความคิดเนี่ยนะมันไม่แน่ไม่นอนใช่ไอารมณ์ขอเราบางทีขึ้นบางทีก็ลงนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใ จ, ใ จ, ใจแต่การรู้จักตัวเอง แบบนี้เนี่ยนะมันสําคัญมากเลยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะก็ควรจะรู้ทันรู้ว่าตอนนี้กําลังอยู่ในอารมณ์ไหนนะการค้นพบตัวเองเนี่ยนะมันมันมีความหมายตรงนี้ด้วยนะก็คือการที่รู้ว่าเรานะกำลังเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไร ในขณะ น, นี้เพราะถ้าเราไม่รู้ว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจของเราเราก็อาจจะทุกข์โดยไม่รู้ตัวเช่นถ้าเราถ้าความโกรธเกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้ น, นนะในใจแล้วเราไม่รู้ตัวเองโกรธเราไม่รู้ตัวเองเครียดเนี่ยนะเราก็จะถูกความโกรธความเครียดเผาดมจิตใจนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาโกรธนี่ไม่รู้ตัวเองโกรธนะ ถึงแม้ว่าอาจจะเออะวยวายนะในการเออะวยวายนั่นแหละแสดงว่าหรือว่าด่าคนหรืออาจจะถึงขั้นด่าพ่อร้แม่ทำร้ายเข้าคองเนี่ยทำอะไรก็ต้องยิ่ยใหเนี่ยโดยแล้วเป็นไปเป็นเพราะไม่รู้ตัวนะว่ากำลังโกรธเราเรียกว่าลืมตัวใช่ไหมควรรอเวลาโกรธเนี่ยลืมตัวสิ่งที่ไม่คิดว่าน่าจะทำหรือไม่ควรทาก็ทา ชเช่นดูบอลนะแล้วปราก ว, ว่าทีมที่ตัวเองเชียร์เนี่ยมันเล่นไม่ได้เรื่องนะโมโหโมโหทีมนั้นสาแลืมตัวถีมโทรทัศน์พังเลยนะแล้วก็มาเสียดายอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าลืมตัวใช่ไหมเป็นแม่ค้าแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาต่อราคาสิ ต่อเลือสองเนี่ยโมโหด่าเข้าไปนะเขาก็เลยโกรธไม่ซื้อก็รักกัายเนว่าแทนที่จะขายของได้ก็ขายของไม่ได้หนะน้าที่ความต้องการของแม่ค้าความอยากของแม่ค้าคือว่าพยายามที่จะชกชวนให้เขาซื้อนะให้เขาซื้อของของเรานะไม่ว่าเขาจะต่อยังไงเราก็จะพยายาม ชวนที่เ็าเห็นว่าไอ้ราคาที่เราให้เนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วแต่พอลืมตัวเขาก็ด่าเขาก็เลยขายของไม่ได้อันนี้ก็เป็นความลืมตัว <c oughs> อย่างหนึง่ง <c oughs> ถ้าเราถ้าเราถ้าเรารู้จักตัวเองนะแล้วเรารจักตัวอย่างเรียเราก็จะรู้ทันว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้น เรืงง่องคือก็คือรู้ใจตัวเองการรู้ใจตัวเองทุกวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้คนอื่นรู้ใจเราอยากได้รูปน้องที่รู้ใจเราอยากจะได้แฟนที่รู้ใจบางทีเราอยากอยากจะได้เจ้านายที่รู้ใจเราได้ซ้ำใช่แต่เราไม่ค่อยสนใจว่าไม่ค่อยมีความสำคัของการรู้ใจตัวเอง และเราลองคิดดูนะว่าระหว่างการหาคนที่รู้ใจเราเนี่ยกับการที่รู้ใจตัวเองเนี่ยอะไรมันง่ายกว่ากันอะไรมันเป็นไปได้ง่ายเป็นไปได้มากกว่ากันนะบางคนเนี่ยความหาคนทั้งโลกก็ยังไม่เจอแฟนที่รู้ใจไม่เจอรุ่นน้องที่รู้ใจนะนจะไปบังคับที่เรียกยร้องเข้ามารู้ใจเราก็ยาก แต่เราเราจะเรียกร้อยเขามารู้ใจเราได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่รู้ใจตัวเองเลยนคนหลายคนเป็นอย่างนี้นะอยากจะได้คนที่รู้ใจเรียกร้อยเขามารู้ใจเราแต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ใจตัวเองที่จริงแล้วเนี่ยเราคงทราบนะว่าการรู้ใจตัวเองเนี่ยมันมันน่าจะง่ายออ ก, กว่าการที่จะให้คนอื่นมารู้ใจเรา แทนที่จะไปเรียกร้องให้ใครต่อใครมารู้ใจเราเนี่ยเราคนอย่างไรถ้ามาใส่ใจเรารู้ใจตัวเองรู้ใจตัวเองก็ไม่ได้แปลว่าตามใจตัวเองนะแต่ว่าหมายถึงการที่เรารู้ว่ากําลังใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรใจตอนนี้ฟูหรือแฟร์นะใจตอนนี้โกรธหรือรักนะใจตอนนี้เนี่ยกำลังยินดีหรือยินไาย อาตมาได้พูดไปสักครู่ว่ามันสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยแล้วเราเปิดให้คนให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจความเกลียดเกิดขึ้นในใจเนี่ยถามว่าใครทุกขนะ์นะเราทุกข์เองนะและ้วอย่างที่อาตมาบอกนะคนเวลาโกรธเนี่ยไม่รู้ใจหรอกไม่รู้ตัวเองหรือว่าโกรธ มีเพื่อนตามาคนหนึ่งเล่าว่าตอนที่เป็นนักศึกษาปี4ธรรมศาสตร์เนี่ยคณะสังคมวิทยาปีสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องไปฝึกงานแกะเอยากไปฝึกงานกับชาวบ้านในภาคอีสานสมัยแล้มีสมัชชาคนัวมีองค์กรชาวบ้านที่พยายามช่วยเหลือตัวเองพัฒนาชุมชนงตัวเองแต่อาจารย์ที่ปรึกษามีความเห็นแตกตา่าง จากที่บุัยให้ไปฝึกงานกับหน่วยงานราชการอาจจะให้ไปฝึกงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยกรมการปกครองอะไรเงี้ยซึ่งก็มีหน่วยเกี่ยวกับการสงเคราะห์ชาวบ้านก็มีการมีการโต้เถียงกันจนทั่งสรุปว่าเออนั้นไปทางานช่วยชาวเขา ที่ภาคเหนือเชียงใหม่ไปแล้วกันพอไปถึงเชียงใหม่ก็พูดกว่าสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยจัดให้ก็คือให้ไปทำ ง, งานกรมพยาสงครอ์กมอาารมพยาสงครอทางที่ทำงากับชาวเขาเยอะก็ไม่พอใจคุณเคืองใจนะแล้วโปรดอาจารย์ที่ปรึกษาว่า คืยกันแล้วเนี่ยให้ทาตามที่ตกลงนะคืนนั้นทั้งคืนก็นอนเรียกว่านอนไม่หลับเลยพอรุ่งขึ้นอาจารย์ที่ปรึกสาอีกค น, นก็มานักศึกษาคนนี้ก็เลยต่อว่าอาจารย์ที่อาจารย์คนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยด้วยแต่ว่าโดอเป็นเป็นผู้เดียวกันนะก็ต่อว่าอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาคนนี้ก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะก็พยายามอธิบายไม่ได้โกรธเคือง นักศึกษาเลยแต่นักศึกษาก็ไม่ฟังก็พยายามที่จะต่อว่าอาจารย์ถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็ท้วงนักศึกษาขึ้นมาเลยนะทักนักศึกษาขึ้นมาเลยว่าศรัทธาคิ้วเธอนี่ปู่เป็นโบเลยนะพอที่นั่นเนี่ยนักศึกษานี่ได้สติเลยรู้ตัวว่าโปรธพอรู้ตัวว่าโกรธทั้งน้นหลักความโกรธนี่มัน หายไปเลยนะตอนที่ต่อว่ า, าจารย์เนี่ยโอ้ต่อว่าเป็นฉากฉากฉากๆนี่นะทําด้วยความโกรธแท้ๆนะแต่ไม่รู้ตัวเองว่าโกรธทันทีที่รู้ตัวเองว่าโกรธเนี่ยนะความโกรธนี่มันหมดนว ล, นลนหายไปเลยละระหว่างโกรธกับไม่โกรธเนี่ยเราคงเลือกที่จะไม่โกรธใช่ไหมแต่หลายคนเนี่ยก็ปล่อยให้ความโกรธข้องงาเผาล้จิตใจ ก็เพราะว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าโกรธแล้วพอไม่รู้ตัวว่าโกรธเนี่ยมันทำให้นำไปสู่การทำอะไรที่ที่ต้องเสียใจภายหลังก็ได้นะมีกรณีนึงนะอ่าเป็นมีผู้ปกครองคนหนึ่งเนี่ยเขเป็นนายทหารนะตอนเย็นก็มารับลูกซึ่งเป็นจากโรงเรียนซึ่ง มีชื่อมากไปโรงเรียนที่คนฐานาดีเขาสมรุน ม, มาเรียนแต่ว่าโรงเรียนเวลาตอนเย็นเนี่ยนะรถมารับเยอะมากนะฉะ น, นั้นเนี่ยรถก็จะจอดกันเป็นแถวยาวในฐานคนนี้เนี่ยไม่อยากจะเข้าคิวเพราะว่าพอเข้าไปโรงเรียน ก็ไม่มีที่จอดรถก็เลยใช้วิธนะีเข้าอีกประตูหนึ่งที่จริงทางเลยมีกฎเอาไว้นะว่าเข้าประตูหนึงแล้วออกอีกประตูนึงนะประตูออกนี่ไม่ใช่สําหรับประตูเข้าแต่ว่าที่นายท้าวทานนี้เนี่ยก็ต้องการที่จอดรถก็เลยเข้าทางประตูออกปุ๊บเดียวก็ได้ที่จอดรถแลดนะ้ว บางเอิญเป็นที่จอดรถอันสุดท้ายผู้ปกครองคนหนึ่งซึ่งจอดซึ่งมาตามซึ่งขับรถถูกกฎระเบียบของโรงเรียนและควรจะได้ที่จอดรถนั้นแต่ว่าไม่ได้เสียแล้วก็ไม่พอใจในายทหารคนนี้ก็ลงจากรถนี้ไปต่อว่านายทหารคนนี้ก็พูดว่าคุณรู้มากผมเป็นใคร สำนวนนี่เราคุณนะคุณรู้ไหมผมเป็นใคร mm hmm. รู้ไหมกูเป็นใครรู้ไหมกูเป็นลูกใครผู้ปกครอยคุณก็บอกผมไม่สนใจคุณเป็นใครแต่คุณขับรถผิดกฎระเบียบของโรงเรียนนะแล้วก็ตอบว่าหรือซักประโยคนสองประโยคแล้วก็เดินกลับไปที่ลบตัวเองในทางันนี้โกรธมากเลย รู้สึกว่าถูกยามสับสีคว้าปืนในรถออกมาแล้วก็เดินตามผู้ปกครองคนนั้นไปผู้ปกครองคนั้นไม่รู้เลยนะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นบังเอิญเนี่ยมีคนขับรถของโรงเรียนอยู่ใกล้ๆทถวเนาะเห็นเหตุการณ์ก็จะคิดว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างนี่เราเป็นพลเมืองดี พลเมืองดีเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยก็เจ็บตัวเพราะว่าไปแซรกไปแซงโดยที่ไม่มีแบบขัดจังหวะแล้วก็ไม่มีเทคนิคก็เจ็บตัวมาก็เยอะแต่ว่า ท่านงานคนนี้นะแกเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณนะแกก็คงรู้นะว่าคนที่กำลังโกรธอย่างนี้เนี่ยควรจะพูดอย่างไรพอไปถึงนายตำรวจนายฐานคนนั้นก็ไปแตะมือเบาๆ <c oughs> แล้วก็พูดขึ้นว่าท่านครับท่านมารับรู้ไม่ใช่เหรือครับแกไม่ได้บอกว่าหยาดยานะยานะยานะแต่อกว่าท่านครับท่านมารับรู้ไม่ใช่เหรือครับ บอกว่านายางนขาท่านได้สติเลยนะความโกรธที่มันหายไปเลยนะและโมเมนต์ต่อมาก็คือเดินกลับไปที่รถของตัวเองเอาปืนไปเก็บแล้วก็ไปรับลูกตอนที่ถือปืนแล้วก็เดินตามผู้ปกครอมคนนั้ไปตั้งใจจะไปทำอะไรฮะตั้งใจจะไปยิงอาจจะต้องกาใจยิงให้ตายเนี่ยตอนนั้นมันลืมหมดเลยนะลืมตัวเลยนะว่า ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่พอพนักงานขับรถเนี่ยมาพูดเนี่ยเตือนสติรู้ตัวเลยนะว่ากาลังจะทำอะไรลงไปไอ้ควาไความรู้ตัวเนี่ยนะรวมทั้งรู้ตัวว่าโกรธเนี่ยนะมันพอรู้เท่านั้นแลยนะมันลุมเลยอันนี้แหละเรียกว่าการรู้ใจเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไร แล้ถ้าไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยมันมีโทษอย่างไรบ้างนะแต่ว่าเราจะรอให้คนอื่นเนี่ยมาทักเราเพื่อให้เรารู้ใจตัวเราเองเนี่ยนะมันก็เป็นความเสี่ยงนะเพราะว่าบางครั้งก็ไม่มีใครที่จะมาทักเราได้แล้เราจะไปย่ต้องรู้ใจตัวเราเองนะเมื่อเวลาโกรธเราก็รู้รู้ว่าโกรธนะดีใจก็รู้ว่าดีใจ คนเราเนี่ยมักคิดว่ามักคิดว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันอยู่ที่ข้างนอกจะสุขได้เนี่ยก็ต้องไปเที่ยวห้างนะไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปต่างประเทศถึงจะมีความสุขได้เห็นของแปลกๆสวยๆองงามหรือว่าไปกินอาหารที่อร่อย แต่ที่จริงแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจและถ้าเรารู้จักตัวเราเองเนี่ยเราเพิ่งพบตัวเองเนยอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในใจเราเนี่ยนะมันเป็นที่สิงสถิต ข, ของความสุขความสุขมันอยู่ที่ใจเราคนส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากไม่รู้จักตัวเอง กยเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันพบได้ที่ใจนะและทำนองเดียวกันความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้คนแวดล้อมมันไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือว่าผู้คนรอบตัวแต่มันอยู่ที่ใจเรานะถ้าเรารู้จัก ใจเราหรือว่าค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราจะพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความสุขไม่ต้องหาที่ไหนวความสุขอยู่ที่ใจเราและถ้าคุณพบค้นพบความสุขที่ใจนี่นะคุณจะเป็น <c oughs> เป็นทาสของเงินเป็นทาสของวัตถุสิ่งเสหรือว่าเป็นทาสของอ ชื่อเสียงเกียรติยศน้อยลงคนทุกวันนี้เนี่ยนะที่สแสวงหาเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยนะก็เพราะหนึ่งเนี่ยไปคิดว่าความสุขอยู่ตรงนั้นถ้ามีแล้วจะได้ความสุขถ้ามีแล้วเนี่ยถ้าครอบครองแล้วเนี่ยจะมีสุข <c oughs> ความคิดเช่นนี้เนี่ยมันนำไปสู่ความยึดติดในสิ่งเหล่านี้ จนกลายเป็นทาสยอมทำทุกอย่างเพื่อจะได้ทรัพย์สินเงินทองบางคนทรยศเพื่อนบางคนฆ่าเพื่อนบางคนฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่เพื่อจะได้มรรตุใช่ไหมมีข่าวพวกนี้เยอะ อะไรทําให้เราทําถึงขนาดนั้นหาไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยกำลังตกเป็นทาสของสิ่งหลอนนั้นและพอได้มาแล้วเนี่ยถึงแม้จะได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบทานะเช่นหาเงินมาได้ทํางานด้วยความเหนื่อยยากพนะอได้มาแล้วเนี่ยเกิดสูญหายไป นะเกิดเสียไปเป็นไงฮะเศร้าเลยมีครูคนหนึ่งเนี่ยนะก็อายุมาถึงสามสิบถูกเพื่อนโกงไปเป็นแสนะเสียใจมากขับแค้นใจนะบอกว่าเธอถึงขั้นไม่ยอมกินไม่ยอมนอน แม่เนี่ยก็บอกให้ลูกกินให้ลูกนอนพักผ่อนเธอก็ไม่ยอมมือนก็จะประชดตัวเองหรืออะไรก็ตามทำ่างนี้เนี่ยเป็นเดือนนะร่างกายผายพร้อร่างกายแย่งเน่ไม่สนใจถามว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเขารักอะไรกันแน่เขารักเงินหรือเขารักตัวเองใช่ ถ้รักตัวเองจะทอย่างนี้ไหมไม่ทำเหมอนนะั้นแต่พราะเขารักเงินไงเขาถึงอยากจะทําร้ายตัวเองคนเราเนี่ยนะมักจะบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองจริงเนี่ยไม่ได้รักตัวเองหรอกรักเงินรักทรัพย์สมบัติมากกว่ามีหลายคนเนี่ยพอถูกจี้ในซอยเปลี่ยว ชวนบอกว่าเอาเงินมาเอาทองมาเอาสร้อยมาหลายคนยอมแล้วก็ไม่ยอมหลายคนสู้แล้วปรากฏวเป็นไงถูกแทงถูกยิงบางคนตายตอนที่ทําอย่างนั้นเนี่ยนถามว่ารักตัวเองหรือว่ารักเงินนะถ้ารักตัวเองเนี่ยจะต่อสู้นะใช่ไหม แต่ว่าจริงๆเนี่ยรักทรัพย์สมบัติรักสร้อยรักเงินรักทองมากกว่าจึงไม่ห่วงใยชีวิตเนี่ยพร้อมจะตายเพื่อมันพร้อมจะตายเพื่อเงินพร้อมจะตายเพื่อทองเพื่อเพชรไฟไหมไฟไหมบ้านโอ้นึกขึ้นไดน้ในบ้านนีมีเงินมีทองมีเพชร พร้อมที่จะเสี่ยงตายเพื่อมันอันนี้แปลว่าอะไรรักทรัพสมบัติมากกว่ารักตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นทาตของทรัพสมบัติโดยไม่รู้ตัวนะยอมตายเพื่อมันได้แล้เราพิจารณาดูนะคนเราเนี่ยนะ ไม่เคยได้ไม่ได้รักตัวเองเท่าไหร่นะแล้วที่ไม่รักตัวเองก็เพราะว่าไม่ได้ค้นพบไม่ได้ค้นพบตัวเองเลยนะว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่เงินแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติถ้าทารู้เช่ น, นี้เนี่ยมันจะไม่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นเวลาเงินเสียเวลาเงินถูกโกงก็เสียแตงเงินคนที่รักตัวเองเจะไม่ปล่อยให้ใจเสียด้วย เงินหายถูกโกงไปก็ให้มันหายแต่เงินเสียแต่เงินหรือเสียรถไปแต่ใจไม่เสียแล้วคนจนํานวนมากนี่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้นะพอเสียเงินไปเสียรถไม่เสียแค่นั้นนะใจก็เสียนะเสียความสุขเท่านั้นไม่พอกินไม่ได้นอนไม่หลับกัดกลุ้ม หมดต่หลายต่ายอยากชีวิตเสียสุขภาพนะทำงานก็ทำไม่ได้ไม่มีอารมณ์เสียงานแล้วพอญหงุดหงิดกรัดพุ่มใจลูกพูดไม่ถูกหูเพื่อนพูดไม่ถูกหูก็ด่าเขาเสียเพื่อนเสียสมรติภาพบางทีด่าเพ้อด่าพ่อแม่ไปเพราะมาเตือนนะให้ให้ได้สติ เนี่ยถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักตัวเองนะเราจะตกเป็นท่าของสิ่งเศษวัตถุต่างๆแล้วเราพอเสียมันไปนะเราก็จะซ้ำเติมตัวเองเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียสมรรถภาพ มีบางคนแถมบางคนตอบเ่านั้นเสียหมาด้วยนะเสียหมาเพราะว่าอันนี้เพื่อนมีคนเขาเขาเสริ ม, มนะหรือว่าเสียคนพูดง่ายถ้ารักตัวเองจริงนะฮะเราจะเสียแค่อย่างเดียวก็คือเสียเงินแต่เราจะไม่ยอมปล่อยให้เสียใจเสียสุขภาพเสียงาน เพื่ อ, อเลยเสียสมรรถภาพแต่พาอไม่รู้จักตัวเองเนี่ยพอไม่พอไม่ได้ไม่ได้รักตัวเองจริง ๆ, ๆเนี่ยไปรักทรัพย์สมบัติมากกว่าไปรักชื่อเสียงนะบางคนถูกปลดจากตําแหน่งโอ้กินไม่ได้นอนไม่หลักแล้วก็เสียอไอ้ต่างๆตามมามากๆนี่พาอไปคิดว่าความสุขอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไ ตอนหนักว่าความสุขที่ใจแล้วคุณจะรู้คุณจะพบว่าความสุขที่ใจได้เนี่ยมันมันต้องรู้จักตัวเองมันต้องค้นพบตัวเองนี่คืออันนี้ส่วนของการค้นพบตัวเองในความหมายที่ลึกนะซึ่งต้องเกิดจากการที่รู้ใจตัวเองด้วยพอรู้ใจตัวเองเนี่ยมันจะรู้แล้วอ๋อสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไร คุณวางใจไม่เป็นนะถึงคุณได้โชคได้ล่งมาคุณก็ทุกข์ถูกหวยสมมติเล่นหวยถูกหวยนะได้หมื่นหนึ่งดีใจมหมโหแล้วโชคดีแต่พอเพราบว่าเพื่อนเนี่ยแทงตัวเดียวกันก็แทงมากกว่าก็ได้แสนแห้วเลยนะรอยยิ้มในการเป็นหน้าบึ้งเลยใช่ไหม ในเพื่อนมีชาวบ้านใ่าออัวตมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะตอนแรกก็ดีใจโอ้ฉันได้แทงสามตัวแทงสามตัวได้หกร้อยดีใจหน้าตายิ้มแย้มพอรู้เพื่อนอีกคนหนึ่งเ็าแทงตัวเดียวกันแต่เขาแทงมากกว่าเขาได้สองพันหุบเลยรอยยิ้มในหุบเลยเพื่อตอมามีคนหนึ่งเป็นนักเล่นพูด แต่ตอนนี้สาแล้วแล้วก่อนเล่นพุ้นเพราะว่าจะเอาเอาเงินจะพูดอีบอลเนี่ยถ้าจะเล่นพุ้นนะก็ต้องก็อย่าหวังความสุขนะมันได้เงินแต่อย่าหวังความสุขแต่ก่อนเล่นพุ้นเพราะต้องการได้เงินแต่ตอนนี้มีเงินพอแล้วอยากจะได้ความสุขก็เลยเลิกเขีบก ว, ว่าเล่นหุ้นเนี่ยถึงแม้ได้ก็ยังไม่สุขนะ มันหมายความยังไงเลยตัวอย่างที่อาตมาเล่านมันก็จะอธิบายได้วันนึงแกไปเจอคุณผู้หญิงคนหนึ่งคุณป้าคนหนึ่งนะที่ตลาดหุ้นค น, คนนี้ก็เหมือนกันแกก็เล่นหุ้นนะเป็นเป็นอาชีพอะไปตลาดหุ้นทุกวันคือไปคุณมาคุณป้าบอกว่าเมื่อสองสวันก่อนขายหุ้นไปตัวหนึ่งได้กำไรสิบล้านสิบล้านนะ มันเท่ากับถูรักตื่นเร็ววันที่หนึ่งเนี่ยกี่ใบนะสี่ห้บบาใบใช่ไหมเพื่อนสมาก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยคำคุณป้าคุณป้าบอกว่ายินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรละยี่สิบล้านได้สิบล้านไม่ดีใจนะเพราะอะไรทราบไหมรพราะแกไม่ได้คิดว่าแกได้สิบล้านแกคิดว่าแกเสียสิบล้านใช่ไหม วันรุ่งขึ้นแกไม่มาที่ตลาดทุนเพื่อนว่าก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งที่เป็นลูกค้าแกว่าคุณป้าหายไปไหนก็ได้คำตอบว่าแกเข้าโรงพยาบาลแล้วพอรายารทางไหมฮะเครียดที่ได้แค่สิบล้านคุณเห็นไหมสุขหรือทุกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ไถึงที่คุณได้อะไรแต่ยู่ทีถ้าคุณรู้สึกกับมันอย่างไรคนฉลาดนี่นะ เสียคือได้เช่นอย่างเช่นเมื่อเมื่อเมื่อ5ปี54เนี่ยนะมีน้ำท่วมใหญ่ซ้นเนื้กอกระดัษตัวกันไปเยอะบางคนไม่ใช่แค่เสียทรัพย์เสียจลิตครอบครัวแตกแยกบางคนค่าตัวตายแต่ก็มีบางคนเนี่ยก็ไม่ทุกข์อะไรกับยิ้มรักมันได้มีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ย น้ำท่วมคราวนี้เนี่ยมันได้สอนเขาว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยทุกอย่างเนี่ยมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้วสักวันวันใดวันหนึ่งวัน ด, นดีคืนดีก็สูญไปบางทีก็น้ก็พัดพาไปหรือท่วมไปตลอตมาเนี่ยแก่ได้แกได้กำไรเสียทรัพย์แต่ได้ปัญญาได้ธรรมะใช่ไหทรัพย์เนี่ยมีเงินก็หาใหม่ได้ แต่ว่าปัญญาหรือธรรมะเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ได้ทรัพย์ใหม่มาอาจจะทุกข์เพราะทรัพย์นั้นได้รถคันใหม่มาก็คัานหน้าก็จะทุกข์เพราะรถคันนั้นแต่ถ้าคุณมีปัญญามีธรรมะอย่างที่ว่ามาเนี่ยถึงแม้จะเสียทรัพย์ถึงแม้จะถูกโกงไปใจก็จะไม่ทุกข์มากหรือว่าเป็นปกติได้เพราะว่า ทำใจตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ไ ม, ม่ไม่มีอะไรจะเป็นของเราอย่างแท้จริงอันนี้เรียกว่าคนฉลาดเนี่ยเสียคือได้คือได้ธรรมะแต่คนไม่ฉลาดเนี่ยได้คือเสียอย่างคุณป้าคนนี้ได้สิบล้านแต่แกกลับคิดว่าแกเสียสิบล้านอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ชี้เลยนะว่าคนเราเนี่ยสุขหรือทุกข์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา ไม่่อยู่ที่ว่ามีโชคลาภเกิดกับเราหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกหรือระวังใจอย่างไรกับสิ่งนั้นเนี่ยคือความหมายที่ว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะเป็นมะเร็งแต่ก็มีความสุขเพราะว่ามะเร็งทำให้ได้เรียนรู้การปล่อยวาง แต่ตอนที่ยังไม่เป็นมาเร็งเนี่ยเรก็เรียกว่าหมกบุ่นกับการหาเงินหาทอง ม, มากแต่พอโคตรเป็นมาเร็งตกใจทีแรกนะกลัวตายก็เลยนะผ่านมาสนใจธรรมะามาพมาสนใจธรรมะก็พบว่าโอ้ความสุขที่ใจเลยได้มาปฏิบัติธรรมด้วยก็พบความสุขว่า ม, มันมทีตใจเราและแท้ๆหลายคนเนี่ย พอเป็นมะเร็งรแล้วเนี่ยมีความสุขมากกว่าก่อนเป็นมะเร็งเพราะได้พบความสุขที่ใจไดพบความสงบในชีวิตเพื่อตามาคนเป็นมะเร็งนเธอเสียชีวิตไปแล้วเธอบอกว่าเนี่ยช่วงสองสปีสุดท้ายของเธอเนี่ยเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากที่สุดสุขกว่าตอนที่ไม่เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งทำให้เธอได้มาสนใจธรรมะมากขึ้นและมาช่วยทำให้เธอปล่อยวางสิ่งต่างๆมากมาย พอปล่อยวังแล้วใจก็สงบใจก็เป็นสุขกายป่วยแต่ใจสงบและเป็นสุขการที่บางคนกายไม่ป่วยนะแต่กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะมีสิวไม่กินไม่บนใบหน้านะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเป็นสิวผิวแห้ขงขงแตกปลายนะ ท, าทั้งที่ก็กินอิ่มนอนอุ่นนะ มีเวลาว่างไปเที่ยวช็อปปิง้งนะ <c oughs> เรียนก็ดีสุขภาพก็ไม่ป่วยพ่อแม่ก็น่ารักอบอุ่นแต่ทุกกิวแม่ไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเพียงแค่มีสิวนะหรือว่าฟันไม่สวยนะแม่ไม่ยอมให้เงินจัดฟันทที <c oughs> ก็เครียดทั้งที่มีทุกอย่างนะเพียงแต่ไม่ครบร้อยขาดไปสองสาอย่าง มีแค่97้าสบเจ็ดยาแต่ขาดไปสองสามอย่างร่้สึกุูมใจคนคนหนึ่งเป็นมะเร็งแต่ว่ากินได้นอนหลับคีพพวกความสงบอีกคนหนึ่งเป็นสิวนะแต่ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันก็สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจแล้วคุณจะพวกความจริงข้อนี้ได้เนี่ยนะ ก็ต้องเกิดจากการที่รู้ใจตัวเองมันรู้ใจตัวเองจนพบว่าจนสังเกตได้ว่าบางครั้งทําไมเรามีเยอะแยะแต่เราไม่มีความสุขทําไมเราไปฟังเพลงไปฟังคอนเสิร์ตตัวราคาเป็นเป็นหมื่นกินอาหารที่อร่อยอาหารฮองเต้ทําทไมใจทําไมไม่มีความสุขถ้าเรากลับมาดูใจตัวเราเพราะอ๋อเพราะเรามีความกังวลกังวลเรื่องงานกังวลเรื่องหนี้สิกนกังวลเรื่องพ่อแม่ คุณกินอาหารที่ปรุงโดยเชฟชื่อดังระดับโลกเนี่ยแต่ถ้าใจคุณกังวลเนี่ยอาหารอร่อยไหมคอนเะสิร์ตวงดนตรีดังแค่ไหนไม่ครแจ็สันก็ได้นะแต่ถ้าคุณกังวลคุณมีความโกรธนะอาจจะโกรธไอไอหนุ่มคนที่ อ, อยู่ ใ, ใกล้ๆคุณก็ฟังเพลงไม่พร้อมนะ สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจแท้แทนแต่ถึงแม้อาหารธรรมดาๆรรบางทีเป็นน้ําผักด้วยแต่กินแล้วอร่อยเพราะตอนนั้นใจมีความสุขใช่ไหมอาจจสุขเพราะว่าได้อยู่ข้างแฟนนสุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันมันอยู่ที่ใจแล้วถ้าคุณเห็นตรงนี้เนี่ยนะคุณก็จะให้ความสำคัญกว่าที่จะมา ดูใจฝึกใจมากกว่าที่จะไปไล่ล่าหาวัตถุสิ่งเสพนะไม่ได้คิดแต่ว่าจะรอวเมื่อไหร่เสาร์อาทิตย์จะได้ไปเที่ยวห้างจะได้ไปไปกินอาหารที่อร่อยนะอย่างที่วัยรุ่นหรือว่าคนหลายคนเนี่ยสแสวงหาปรารถนาการค้นพบตัวเองนะการรู้จักตัวเองเนี่ยม่ททำให้ เราเนี่ยสามารถจะมีความสุขได้ง่ายนะจนถึงขั้นว่าอยู่ที่ไหนก็มีสุขอยู่ทุกที่ก็มีสุขเจออะไรใจก็ไม่ทุกขนะ์ความสุขจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะแล้วก็จะมีความทุกข์ได้ยากขึ้นนะการการที่เราจะรู้ทันใจของเราเนี่ยนะ มันไม่ใช่เรื่องยากนะเด็กๆเกนี่ยนะฝึกได้ง่ายมากเร็วนะที่โรงเรียนจิตตเมฆนะหรงเรยนอนุบาลเนี่ยเด็กอนุบาล น, นะเวลาแม่พ่อพามาส่งที่โรงเรียนเด็กก็จะเสียใจบางทีก็งองแง บางทีก็สุดว่าวเวสิ่งแรกที่ที่ครูทำไม่ได้ปลอบเด็กนะแต่ให้เด็กเนี่ยหยิบการ์ดขึ้นมาการดนั้นก็จะเป็นตัวบัดแสดงอารมณ์ว่าตอนนี้หนูกำลังอยู่ในอารมณ์ไหนดีใจเสียใจเหงานะเป็นการ์ดที่น่าตามกับตัวอีโมจิอะนะในโทรศัพท์มือถือในลายเนี่ย แล้วเด็กก็เลือกถูกนะว่าตอนนี้เนี่ยหนูกำลังอยู่ในอารมณ์ไหนนี่นคือวิธีการฝึกให้เด็กเนี่ยรู้ใจตัวเองรู้ใจคือรู้อารมณ์ว่าตอนนี้อยู่ในอารมณ์ใดใช่ไหมแล้วเด็กที่พอโตขึ้นเนี่ยเวลาเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไวอาจารย์ประสมกฤตุณโนเล่าว่าเคย สนเคยเจอเด็กคนหนึ่งอนาะยุแปดขวเป็นผู้หญิงท่านคงจะไปบรรยายที่โรงเรียนนั้นนะบรรยายจบท่านก็มานั่งคุยกับเด็กอาจจะระหว่างที่รอรถเด็กคนนี้คุยฉลาดนะน่ารักแล้วก็สนใจฝ่ายเทาอาจารย์ประสงค์ก็บอก ว, ว่าหนูเป็นเด็กดีหนูเป็นเด็กที่น่ารักเดี๋ยวหลวงพ่จะให้รางวัลหนูก็หยิบหยิบรูปประคําขึ้นมาจากย่าม เด็กพอเห็นนะก็ร้องอู้ฮูท่านก็เลยถามว่าหนูร้องอู้ฮูหนูเห็นอะไรเด็กไม่ไดตอบว่าหนูเห็นรูกประคำนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะแล้วนักสังเกตเด็กไม่ไดตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจท่านถามต่อไปว่าแล้วหนูทําอะไรกับมันหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันค่ะ ดูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันข้างนั้นสงบลงละข้างในความดีใจมันลดลงละเนี่ยคือการเห็นใจตัวเองไงคือการรู้ใจตัวเองเวลาดีใจก็รู้ว่าดีใจอันนี้แหละคือคื อ, ค, อคือการฝึกจิตเหมือนกันนะทวันนี้เราดิ้นคำ ว, ว่าดูจิตดูจิตนะภาวนาแบบดูจิตเนี่ยก็คืออย่างนี้แหละก็คือว่าดีใจก็เห็นก็รู้มันดีใจ แล้วรู้ว่าดีใจไม่ใช่เราดีใจแต่ว่าเป็นความดีใจที่เกิดขึ้นมันต่าง ก, กันนะระหว่างหนูดีใจกับหนูเห็นข้างนามาดีใจต่างแล้วไหมตา่างกันนะหนูเห็นข้างนามาดีใจคือความเห็นความดีใจที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหนูดีใจคือว่าไปเห็นไปไปคิดว่าความดีใจของตัวหนูเป็นของหนูเห็นจับ <c oughs> เป็นเนี่ยมัน ต, าต่างตรงนี้เห็นความดีใจกับเป็นผู้ดีใจไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่เราเวลาดีใจนะ เวลาเกิดความดีใจขึ้นมาเราเป็นผู้ดีใจเลยแต่เราลองเปลี่ยนมาเห็นความดีใจสิตรงนี้แหละคือการฝึกจิตเวลากโกรธแทนที่จะเป็นผู้โกรธคุณลองมาเห็นความโกรธดูบ้างอย่าไปเป็นผู้โกรธตะพึดตะพือเห็นความโกรธบ้างใช่ไหมเวลาเสียใจอย่าเป็นผู้เสียใจคุณลองฝึกให้เห็นความเสียใจบ้างเวลาคุณปวดคุณเมื่อยเนี่ย อย่าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยลองเห็นความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นบ้างที่เท้าที่แขนที่ที่หลังก็แล้วแต่นี่แหละคือความหมายว่าเห็นใจตัวเองหรือว่าดูจิตหรือดูเวทนาหนะลวงพ่อหมอตมาหลวงพ่อคำเขียนนั่พูดว่าเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นอะไรก็เห็น ทุกอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจดีใจเสียใจคิดดีคิดชั่วปวดเมื่อยสบายเห็นแล้วทำอะไรเห็นแล้วทำเห็นแล้วเฉยเฉยท่านก็สอนต่อไปว่าให้รู้ซื่อๆนะหลวงพ่อเทวะพ่อมาสวงเกตท่านสอนนะให้รู้ซื่อๆคือรู้เฉยเไม่ต้องทำอะไรกับมันและเด็กคนนี้แกก็ทำได้นะไม่รู้ใครสอนแกนะอาจารย์ประสงค์ถามว่าแล้วหนูทำอะไรกับมัน หนูไม่ทำอะไรกับมันขาดรือแค่ดูมันเจยเฉยนี่เราไปสืบที่อาจารย์กรรมาฐานสอนแต่ผู้ใหญ่ก็ทำกันไม่ได้ไม่ใช่เพราะมันยากนะเพราะว่าเด็กแปดขวบก็ทำได้แต่เป็นเพราะว่าไม่ได้ฝึกมากกว่าไม่ได้เรียนรู้ที่จะกลับมาดูใจหรือรู้ใจตัวเองแลวถ้าเกิดว่ามนรู้ใจตัวเองนะ การแก้ปัญหาเวลาเกิดความทุกข์นี่มันจะมันจะเปลี่ยนไปมีเพื่อนมีลูกเพื่อนนะชื่อปะวานปะวานนี่เป็นเด็กฉลาดนะตอนนั้นตอนนั้นก็กนประมาณสีห้าขวบถูกแม่ว่าปกติปาาปาวานี่จะเถียงแม่แต่ปรากฏว่าวันหนึ่งแม่ว่ากักปาวาน ประวันนิ่งเงียบไม่เถียงแม่แล้วก็เดินออกไปแม่ก็ตามไปปกติประวันเถียงแม่แต่วันนี้ท ำ, ทำไมไม่เถียงก็เดินตามประวนันแล้วก็เห็นประวันนั่งนิ่งถามว่าประวันทำอะไรประวันตอบว่ากำลังสงบสติอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยประวนนันีรู้ว่าตัวเองมีโกรธ น, นะแล้วรู้ว่าเมื่อโกรธแล้วเนี่ย ก็ต้องดักความโกรธที่ใจตัวเองปกติคนเวลาโกรธนะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้ตัวนะแล้วก็จะปล่อยปล่อยใจปล่อยหรือทําปล่อยใจหรือทำตามความโกรธเช่นพอโกรธแม่ขุนเครืองแม่ก็ว่าแม่เทียงแมนะ่แต่ประวัติเนี่ยรู้เลยนะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองโกรธแล้วรู้ว่าเมื่อโกรธแล้วเนี่ยก็ต้องไปสงบสติอารมณ์ เพวาความโกรธเป็นเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ใจก็ต้องดับไฟที่ใจน้องไอเด็กอายุ4ี่ขวบห้าขวเหมือนกันวันนึงวิ่งเล่นอยู่ดีๆไปชนประตูกระจกตึงน้องไอ้ก็ร้องโอ๊ยแม่อยู่ในครัวได้ยินน้องน้องไอ้ร้องก็รีบวิ่งมากาจะกาจะกะจะกอดน้องไอ้ปลอบน้องไอ้น้องไอ้บอกไม่ต้องแม่ เดี๋ยวนูนั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวก็หายนะคือน้องไอรุ่นนะว่าเออถ้าเวลาเจ็บเนี่ยนะถ้าใช้สมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะบรรเทาความเจ็บได้อย่างนี้ไม่มีใครสอนได้นะต้องตัวเองต้องต้องต้องเคยประสบมาแล้วรู้ว่าเจ็บหรือปวดก็ตามเนี่ยสมาธิช่วยบรรเทาได้จริงๆแล้วน้องไออาจจะไม่รู้นะว่า เวลาเจ็บเนี่ยนะไม่ว่าเจ็บเพราะหัวชนกําแพงหรือประตูเนี่ยมันไม่ได้เจ็บที่กายใช่ไหมมันมีความเจ็บที่ใจด้วยเวลาโยนนั่งแล้วปวดเนี่ยนะแล้วสึกเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็นเพราะปวดที่กายเท่านั้นนะใจก็ปวดด้วยน้องไอเนี่ยจะไม่รู้นอาจจะไม่รู้นะว่าตอนนั้นตอนที่ถึงปวดมันมีความปวดใจแต่การที่น้องไอนั่งสมาธิมันทําให้ใจเนหายปวด มันจะปวดแต่กายและปวดกายเนี่ยมันจะอาจจะแค่หนึ่งในสามของความปวดเดิมก่อนที่จะตั้งสมาธิก็ได้ปวดใจนี่มันเป็นก้อนใหญ่เลยนะประมาณสองเท่าของความปวดกายพูด่างนี้ก็เพราะว่ามันมมีการวิจัยเพราะว่าเนี่ยคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาโดนเข็มฉีดยาจินเนี่ยนะจะมีความปวดเป็นสามเท่าของคนที่ไม่ปวดของคนที่ไปกลัว คนที่ไม่กลัวเนี่ยก็เจ็บแค่หนส่วนคนที่กลัวเนี่ยเจ็บสส่วนแสดง ว, ว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้เจ็บเพิ่มขึ้นอีก2ส่วนใช่ไหมความทุกข์ความกลัวเป็นความทุกข์ใจแบบหนึ่งเป็นความป่วยเป็นความปวดใจแบบนึ่งและถ้าคุณจะทําสมาธิหรือจเจริญสติก็ตามที่ทําให้ความกลัวหายไปเนี่ยความปวดจะลดลงจาก3เหลือแค่หน น้องไอซ์อาจจะไม่รู้เรื่องนี้แต่น้องไอซ์รู้ว่าถ้านั่งสมาธิแล้วเนี่ยความปวดมันบันเทา是是น้องไอซ์เนี่ยเวลาทุกข์เนี่ยหันมาแก้ที่ตัวเองก็คือทําสมาธิแต่คนเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าวิ่งชนกําแพงเนี่ยนะวิ่งชนกระจกเนี่ยนะจะทำยังไงจะโกรธอะไรโกรธกระจกใช่ไหมหรือโกรธคนที่ เอากระจกปิดกระจกเอาไว้เช่จะโกรธแม่บ้านโกรธพ่อโกรธแม่ว่าทําไมทําไมปิดประตูกระจกแบบนั้นแม่ถ้าเวลาเห็นลูกร้องไห้เพราะว่าไปชนกระจกทำไงแม่จะให้ลูกเนี่ยร้องหายร้องแม่อาจีกระจกใช่ไหมหรือไม่เด็กก็แตกกระจกใช่ไหมเนี่ยเห็นการเห็วิธีการรักษาที่แตกต่างนะ คนนึงโกรธไอ้คนหนึ่งปวดก็มานักสมาธิอีกคนหนึ่งปวดก็แตกกระจกทุกกระจกหรือว่าดา่าใครต่อใครที่อยูใกล้ว่าทําไมมาปิดประตูแบบนั้นวิธีแก้มันต่างกันเลยนะระหว่างคนที่เห็นใจตัวคนที่ไม่เห็นใจตัวเนี่ยคนที่เห็นใจตัวก็ไปโทษภายนอก็ะจะทําให้อาสาการดีขึ้นไหมเตะกระจกแตกแล้ว เ, เป็นไงหรือว่าดา่า ต่อว่าโทษนะพ่อแม่ที่เอาประจกที่ไม่ยอมเปิดประตูนะดันปิดประตนะูก็ทะเลาะกันใช่มังนันการเห็นใจตัวเองเนี่ยนะหรือการรู้ใจตัวเองเนี่ยนะมันมันจำเป็นมากนะสําหรับการที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น นอกจากการค้นพบตัวเองเนี่ยจะมีความหมายว่ารู้ใจตัวเองรู้ทันอารมณ์รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดด้วยนะฮะความนึกคิดเนี่ยก็ต้องรู้ทันเหมือนด้วยเพราะถ้าไม่รู้ทันเนี่ยไม่รู้ตัวเองตอนนี้กลังคิดอะไรเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะโดนความคิดมาเล่งงานเราได้ความคิดมาสั่งให้ด่าก็ดาก่านะความคิดมาสั่งให้ขโมยก็ขโมย mm hmm. หลายคนเนี่ย ไม่รู้ทันความคิดของตัวเองไปเชื่อความคิดเสร็จแล้วก็เสียผู้เสียคนหลวงพ่อ เ, อเขียนหลวงพ่อธอตรมมาเคยเล่าว่ายี่สิบสามสิบปีก่อนเนี่ยมีมีพระรูปหนึ่งมาบวชเป็นพระใหม่พี่ชายพามาหน้าตาของพระใหม่ก็หน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เครียด เมื่อมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อต้องก็ให้ไปปฏิบัติเดินจงกรมเจริญสติวันที่สอ ง, งั่นแหละนะแกก็ามาหาหลวงพ่อว่าจะขอสึกแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมมาลับปากกับที่ว่าจะบวชผมก็บวชแล้วตอนนี้จะสืก หรว่าให้ท่านให้ท่านไปปฏิบัติหรือเพราะท่านแกก็ไม่ยอมบอกว่าเนี่ยผมไม่ได้บวชมาบวชเพื่อปฏิบัติผมบวชเพราะว่าตับปากพี่ชายหลวงพ่อไม่ยอมให้ศึกก็ไล่ไปปฏิบัติหายไปสักพักแกก็มาใหม่จะขอศึกหลวงพ่อไม่ยอมเพิ่งวันที่สองนั่นแหละนะก็ให้ไปกลับไปปฏิบัติสักชั่วโมงหนึ่งแกก็กลับมาใหม่ ยืนการจะสึกให้ได้หลวงพ่อก็เลยถามว่าอะไร ท, ทำทให้ท่านมหาอะไรทำให้คุณมหาผมเดีกก็นั่งคิดยืนคิดนะท่าบอก ค, ความคิดครับหลวงพ่อก็เลยพูดว่าเนี่ยมันคิดแล้วเนี่ยต้องทาตามความคิดทุกอย่างเลยถ้าเราทาตามความคิดทุกอย่างนี่ไม่แย่หรือหลวงพ่อก็เลยไม่สึกให้แล้วก็ ไล่เข้าไปปฏิบัติเพราะไม่พอใจวันรุ่งขึ้นเช้าตู่เลยพอพระใหม่เห็นหลวงพ่อก็รีบมาเลยนะแต่คนนี้ไม่ได้มาจะขอสึกใจมากราบขอบคุณบอกว่าถ้าหลวงพ่อศึกให้เขาเนี่ยนะเขาคงไปเป็นฆาต ก, กรแล้วเพราะว่าสอวันที่ผ่านมาเนี่ยคิดถึงแต่ว่าจะหาปืนมายังไรเพราะตั้งใจจะไปฆ่าคนสองคน ก็จะว่าเป็นภรรยาแฟนหรือว่าชูกับชูแต่พอหลวงพ่อทักทานเขาเนีทําให้เขาเนี่ยได้คิดได้สติแในสิ่งที่หลวงพอ่อท่านพูดเนี่ยสำคัญนะคนเราเนี่ยถ้าทําตามความคิดทุกอย่างนี้ไม่แย่หรือความคิดเนี่ยนะเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวนะเหมือนกับเงินแล้วเงินเนี่ยเป็นบาวที่ดีเป็นนายที่เลว รสสักอัครฐานก็เป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวความคิดเนี่ยถ้าเราใช้มันเนี่ยดีแต่ถ้ามันใช้เราเมื่อไหร่นี่ต้องระวังนะคนเราเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้ทันความคิดนะเราก็จะเป็นทาสความคิดได้ง่ายความคิดจะกลายเป็นนายเราแต่ถ้าเรารู้ทันความคิดมีความคิดเกิดขึ้นก็เห็นมัน เราจะเป็นเราจะเป็นนายมันได้นะถ้าการที่เราจะรู้ทันความคิดนะก็คือการรู้ใจตัวเองนะอีกความหมายหนึ่งนะรู้ใจคือรู้รู้ว่าตอนนี้กำลังมีอารมณ์อะไรแล้วก็รู้ทันว่าตอนนี้มีความคิดอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลามันเผลอคิดไปนะใจลอย การค้นพบตัวเองเนี่ยที่สำคัญที่ลึกซึ้งที่สุดนะอันนี้รักตั้นรักมาตรงเลยคือการค้นพบว่ามันไม่มีตัวเราตัวเราเนี่ยมันไม่มีจริงไอตัวกูของกูเนี่ยมันมันไม่มีมันเป็นแค่สิ่งสมมติที่ปลุแงแทนขึ้นมาโอ้นี่เป็นความจริงที่ที่ลึกซึ้งมากที่ที่ ไม่มีสอนในพุทธศาสนาแลไม่มีสอนนอกพุทธศาสนาแต่แม้แต่ชาวพุทเองก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้มันหักบุญเลยนะคนพบตัวเองในสุดพรว่าตัวเองเนี่ยมันไม่มีจริงตัวฉันเนี่ยไม่มีจริงตัวกูไม่มีจริงมันมีแต่แต่ทั้งต่ทั้งตัวเนี่ยนะมันมีแต่กายกับใจ มันไม่มีตัวกูกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็าจะหาตัวกูหาตัวเราที่ไหนนะแม้กระทั่งกายใจยก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะอันนี้เป็นเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองที่ที่ลึกซึ้งที่สุดแล้วก็มันหักมูกมากเลยค้นไปคนนมาไม่เจอไม่เจอตัวเราเลย มันเจอแต่กายกับใจมันเห็นแต่รูปกับนามและกายกับใจนี่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยไอ้การเขงนี้แหละที่ทาให้พ้นทุกอย่างแท้จริงเพราะความทุกเนี่ยรู้แต่เกิดจากความยึดมั่นว่ามีตัวกูของกูมีความยึดมั่นในความคิดว่ามีตัวกู าภาษาพารียกว่าอัตวาทุปาทานถ้าเร า, รารไปยึดว่ารถเป็นของกูบ้านเป็นของกูมันเรียกว่าการมุ ป, ปาทานถ้าเราไปยึดว่าความคิดเนี่ยความคิดของกูประเสริฐและเกินนีอันนี้เราทิฏฐุปาทานาศาสนาของฉันพุทธศาสาศนาของฉันมันประเสริฐที่สุดนะในโลกเลยอันนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทาน ความคิดว่าศาสนาของฉันประเสริฐ น, นะศาสนาพุทธนี่เป็นเลอิอที่สุดนะอันนี้เป็นอุปทานอยู่นะความคิดว่ามีตัวกูของกูแล้วก็ยึดมันในตัวกูของกูเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอัตวาทุกปาทานไอพ้พวนี้แหละเป็นเป็นรับเงอเป็นสมุดไทยของความทุกข์ใจความทุกข์กายกเรื่องในเรือความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากความที่ว่ามมีเราเป็นของเป็นเราเป็นของเรา เวลาปวดเนี่ยนะถ้าไปถ้าไปเห็นว่ากูปวดเมื่อไหร่ใจเป็นทุกทันทีแต่ถ้าปวดแล้วเห็นว่าเออมันเป็นกายที่ปวดไม่ใช่เราปวดนะใจไม่ทุกนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลากลายปวดนะไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นว่ากายปวดนะแตไปยึดไปสําคัญว่า ชั้นปวดผู้ปว ด, ปวดทุกใจเลยอันนี้แหละมันทาให้คนเราเนี่ยเป็นทุกข์เมื่อแก่เป็นทุกข์เมื่อปวดเมื่อปว่วยและทำให้เราเป็นทุกข์เมื่อเจอความตายเพราะไม่ได้คิดว่ามันความตายเป็นแค่ความเสื่อมสลายของกายและใจรูปกับนามแต่ไปคิดว่า กูกำลังจะตายเอาแค่กูจะตายนะี่โหมันสัตว์ทั้งเลยนะที่กลัวความตายเพราะไปคิดว่ากูกําลังจะตายแต่ที่จริงมันไม่มีกูตายนะมันมีแต่รูปกับนามที่กําลังเสื่อมสลายไปหรือแตกดับไปถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยมันไม่มีความกลัวเลยนะอาจารย์กุชารถึงบอกว่าให้เราเนี่ยฝึกตายก่อนตาย ก็คือให้ให้ให้ตัวกูมันตายหรือให้ความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยมันดับไปเมื่อถึงตอนนั้นเวลาตายที่ก็จะไม่จะไม่จะไม่เป็นทุกข์แล้วมันมีคําพูดว่ารักตัวกลัวตายเนี่ยความหมายนี่คือเป็นพ่อรักตัวจึงกลัวตายแรกที่รักตัวแรกพ่อมีความช่วยมีตัวกูอยู่จึงรักตัวกูจึงยึดตัวกูมาแต่จะไม่กลัวตายก็ต่อเมื่อไม่ไม่ไม่รักตัว ถ้าไม่รักตัวก็ไม่กลัวตายนะแล้วที่ไม่รักตัวเนี่ยไม่ใช่เพราะเกลียดตัวเองแต่เพราะเห็นว่ามันไม่มีตัวกูจะให้รักงั้นถ้าเห็นความจริงตรงนี้นะมันไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะกับกายกับใจก็ไม่ทุกข์เจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์ใจนะหลวงปู่บุตรดาเนี่ย ท่านมรณภาพเมื่อ20ปีที่แล้วนะตอนที่ช่วยท่านมีชีวิต อ, อยู่นี่ท่านก็อายุถึงร0อปีมีครั้งท่านไปผ่านิ้วในไตผ่าเสร็จสักพักท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วก็ยังช่วยนะคือท่านจะกลับวัดลาสิมบุรีหมอก็แปลกใจเพราะว่าคนที่ผ่าเบากับท่านน้อยกับท่านนี่ก็ยังแสดงอาการปวดมากเลย ก็เลยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไม่ปวดเลยหลวงปู่บอกว่าปวดสิทำไมไม่ปวดร่างกายของหลวงปู่ก็เหมือนคนทั่วไปแหละแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยท่านปวดกายนะแต่ท่านไม่รู้สึกว่าฉันปวดต่างกันนะกายปวดไม่ใช่กูปวดนะเพราะว่าท่านเห็นแล้วเนี่มันไม่มีตัวกูนะและกายก็ไม่ใช่กูไม่ใช่ของกู ตอนั้นเนี่ยท่านก็เห็นแต่ว่าเออกายปวดแต่กูไม่ได้ปวดเพราะนั้นใจก็เลยไม่ได้ทุกข์อะไรมีคราวหนึ่งท่านไปไปฉันที่บ้านโยมคนหนึ่งก็มีพระตามไปด้วยเป็นคณะเราก็่าหามีพิษนะอาหารเป็นพิษพระที่ติดตามมารวมแล้วหนูป่ยนยฮก็อาจเจียงเป็นแถว รส่วนใหญ่เนี่ยอาเจยียนจะหมดแรงคลื่นแส้อาเจยียนหมดสภาพแลยหมดแรงแต่หลวงปู่นี่ยังนั่งคุยกับโยมท่านอยากจะคุยใหอยากจะพูดให้ําลังใจยงยโยมพระโยมเนี่ยเสียควัญ น, นะนี่มวนพระมาปวดพระม า, ะมาเจอแบบนี้พระรูปอืน่นเน่นอนหมดแรงแต่หลวงปู่ยยังนั่งคุยเวลามีเวลาทาั้พระทั้งอาเจยียนหยิบกระโถนมาทั้ก็อาเจยียนเสร็จแล้วก็นั่งคุยต่อคนก็แปลกใจ ว่าทำไมลุงปู่ไม่ไม่เป็นไรเลยหรือท่านก็ที่บายว่าเนี่ยร่างกายก็สักแต่ว่ามันประกอบด้วยมันประกอบไปได้วยธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟเมื่อเจอยาเบื่อยามอมก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือคลื่นสายอาร์ติยนแต่ว่าใจมันไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนด้วยเพราะนั้นเนี่ยอย่ามาปนกันคนละเรื่องกัน กายของท่านคลื่นไส้การท่านปวดเพระผาตัดนะแต่ว่าใจท่านไม่ทุกข์นะเพราะท่านเห็นความจริงก็มีปัญญาเห็นว่ามันกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีตัวกูที่เป็นผู้ปวดไม่มีตัวกูที่เป็นผู้ทุกขนะ์เพราะนั้นจึงอยู่ในโลกนี้ได้นะย่ามีความสุขความแก่เป็นทุกข์นะแต่แก่แล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะความปวด ความป่วยเป็นทุกข์แต่ถ้าป่วยแล้วป่วยแล้วเนี่ยไม่ทุกข์ก็ได้นะความตายเป็นทุกข์นะนี่เราได้ยินสวดมนต์เป็นประจำแต่จะตายแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะทุกข์ยางหลังคือแปลว่าทุกข์ใจนะไม่ทุกข์ใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการคนพบตัวเองเนี่ยหาตัวให้เจอเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยคือเจอว่าไม่มีตัวกูลเลยนะอันนี้เป็นการคุณที่ยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าเนี่ยนะ เป็นทค้นพบและทำให้พระองค์เนี่ยตัสรุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ทุกข์อีกแล้วเพราะว่าทุกข์ทั้งปวงนะั้นเป็นแค่ทุกข์ของกายกับใจแต่ว่ามันไม่มีตัวกูที่เป็นผู้ทุกข์ไม่ได้มีความยึดติดในสิ่งใดอันนี้แหละคือการพ้นทุกข์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็พอสมวงเวลาแล้วนะก็สมาพุทยุติ กรรมใหญ่เท่านี้น ะ, ะมีอะไรต่อไปสักถามดีวกว่าเชิญได้ใครสนใจใครสงสัยอะักถามยังพอมีเวลายอยู่ ใจรู้สึกยังไงบ้างใจไม่มีความสับสนงงงวยหรือเครียดเลยเหรอฮะเครียดก็รู้ว่าเครียดก็พอแล้วนะเครียดก็รู้ว่าเครียดไอศัพทบว่ารู้เฉยๆนะพอไม่ต้องถึงกบงับไปบังคับไปข่มให้มันหายนะโกรธก็รู้ว่าโกรธนะแต่ว่าให้เห็นว่า เอ่ก็มีความโกรธเกิดขึ้นนะแต่ว่าไม่ใช่เราโกรธเคยมีคนถามหลวงปูดดูลนะตุโลว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆก่อนหลตามหาบุญคนก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็มีคนถามว่าหลวงปู่มีโกรธไหมท่านตอบมีแต่ไม่เอา <c oughs> พวกเราเนี่ย <c oughs> ลองทําให้ได้นะ เรเป็นปรตูชนอยู่มีแน่แต่ว่าไม่เอาไม่เอาคือไม่คิดว่ามันเป็นเราเป็นของเรามีโกรธแต่ไม่เอาเอามีโกรธแต่ไม่เอาโกรธเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะไม่ชอบแต่ต้องไม่มีมีแต่ไม่เอาเนี่ยช่วยทำให้ไม่ทุกได้ วารสารชื่ออะไรซายอิลลัสเทรตเขาบอกว่าการนอนละเมอเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมที่ส่งถ่ายกันได้จากครอบครัวเหมือนกันนะครอบครัวพ่อแม่ที่ละเมอเนี่ยลูกก็มีโอกาสที่จะละเมอได้แล้วในแง่นึงก็หมายความว่ามันเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นสาเหตุทางกายก็คือสมองแต่ว่าอต่สมองก็ส่วนนึงก็เป็นเรื่องของใจด้วยนะเช่นถ้าเกิดว่าเรา เราก่อนนอนนี่เราไม่มีเรื่องวิตกกังวลฟุ้งซ่านเนี่ยก็น่าจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสละเมอน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะนอนก็พยายามทําใจใสงบนะการเปิดใช้อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กแปลงต่างเนี่ย ก, ก็ควรจะงดนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก่อนนอนก็เล่น a ฟ e บุ๊กเล่นไลน มันรู้แล้วแต่กระตุ้นให้สมองเนี่ยนะทำงานความคิดเนี่ยวิ่งไม่หยุดแตยิ่งสมัยนีย้เราคิดเก่งคิดเร็วคิดไวแต่คิดไม่เป็นวางความคิดไม่เป็นเนี่ยมันก็เลยทําให้หลับแล้วก็ยังฝันต่อนะหรือถ้าฝันหนักๆมากก็จะละเมอนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาได้ก็คือว่าก่อนนอนเนี่ยเราก็ไม่พยายามหาเรื่องคิด อะไรที่จะพุ่งให้จิตเราคิดเช่นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะไม่ว่าจะเป็นโทรศรรัพท์คอมพิวเตอร์ดูโทรทัศน์หรือว่าดูวิดีโออะไรเนี่ยก็ให้เราให้เราพักซะก่อนอาจจะพักก่อนนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าเราจะทำสมาธิเสริมด้วยยิ่งดีถ้าทำสมาธิก็ทำให้เป็นนะอย่าไปอย่าไปทำแบบกดข่ม เกิดกดขมความคิดนะมันก็จะไปโผล่ตอนฝันะเพราะว่าคนที่กดขมมันจะเครียดพอเครียดแล้วเนี่ยพ อ, พอหลักเข้าเนี่ยมันก็มันก็จะฝัน ง, ง่ายอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยนะอัตอมาคิดว่าเรื่องของบางทีเรื่องของน้ำดื่มอาหารอาจจะช่วยได้บางส่วนเช่นพวกสมุนไพรซึ่งอันนี้ต้องถามผู้รู้ ว่าเออเช่นอัญชันอะไรต่างเนี่ยจะช่วยได้ไหมหาตัวช่วยหลายๆอย่างมาประกอบกันก็น่าจะช่วยลดลดความถี่หรือว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ เกลี้ยกมเวลาเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นคนนิ่หงหงดหดขี้ราคาลหรือเปล่านะกลี้ยกล่ำไหมแต่ถ้าเกิดว่าเพียงแค่ต่อว่าเฉพาะเวลาคนมารบกวนเวลาสวดมนต์เนี่ยถ้ามาว่าไม่ใช่เป็นปัญหาเท่าไหร่แน่นอนมันมีวิธีมันมีวิธีการทำใจที่ทาให้ไม่มีขี้รำคาญใจ เวลาสวดมนต์ก็ไดนะ้แต่ถ้าที่ฟังดูเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่เป็นแค่ความปรารถนาดีของลูกที่อยากจะให้แม่เนี่ยเป็นเป็นอย่างที่ตัวเองเห็นว่าดีอาตมาว่าบางทีการความปรารถนาดีของลูกเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดก็ได้ไม่ใช่ตัวเองเครียดเดี๋ยวแม่ก็เครียดด้วยนะถ้าากว่า แม่ไม่ได้มีความรู้สึกเครียดบุญบิดอะไรนะมีความสุขอยู่แล้วในในบ้านนะอาตมาว่าก็ไม่เห็นเป็นปัญหานะเพียงแต่ว่าถ้ามีถ้าถ้าหากว่าถ้ามีพฤติกรรมมากไปกวบ น, นี้เนี่ยเอออาตมาว่าเนี่ยอันนี้ถึงค่อยค่อยเห็นว่าเป็นปัญหาหมายความว่านจะให แม่ทำต่อไปอ่าใชไ่ไม่ไม่รบกวนท่านใช่ต่อไปไ ม, มีปัญหาอ่ารครับรัศกาพชารถ า, าไอ้ธาตุรู้คืออะไรครับธาตุรู้ก็คือตัวรู้ก็คือวิญญาณน่ะวิญญาณวิญญา ณ, ญญา ณ, ญญาณานี่ทาหน้าที่รู้เช่นตอนที่คุณได้ยินเสือธตมมพูดเนี่ยก็เรียกว่าโสตะวิญญาณเกิดขึ้นตอนนั้นแหละ ตัวที่ทําหน้าที่เนี่ยทําให้ทําให้รู้ว่าได้ยินเสียงเนี่ยก็คือท่ารู้นั่นแหละ <c oughs> แค่นั้นแหละแค่รู้ประมาณเหมือนธรรมชาติเนาะก็คือได้ท่าเหมนรูปท่าเด็กท่าพิงท่าไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละคนละท่าแบบวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์เนี่ยกับธรรมะบางที่ก็ใช้คําเหมือนกันแต่ว่าคนละ<ม>วิธีคิดคนละระบบยกตอย่างง่ายๆนะครับ ก า, การจำแนกสัตว์เนี่ยของคนไทยเนี่ยเราถือว่าอะไรที่ในน้าคือปลาเช่นปลาวาฬปลาดาวใช่แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาปลาดาวก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาใช่แต่ว่าเราก็จะจ ะ, จะไปห้ามว่าอย่าไปใช้คำว่าปลาดาวปลาวาฬก็ไม่ใช่เพราะว่าคนพูดก็อาจจะใช้ระบบจำแนกแบบไทยใช่ไหม บางคนไปไปเคร่งว่าปราวานเนี่ยห้ามพูดน้ำพูดวาปราดาห้ามพูดน้ำพูดดาเพราะมันไม่เทาวิทยาศาสตร์บอกว่ามันไม่ใช่ปลาแต่ว่าวิธีการจาแนกแบบพุทธในแบบแบบแบบไทยเนี่ยมันคนละ ร, ระบบกับวิทยาศาสตร์เพราะฉนั้นเราก็เราก็เรียกว่าปราวาก็เป็นปลาไงวะปราดาก็เป็นปลาเหมือนกันเรื่องท่าตเนี่ยมันเป็นคำเหมือนกันแต่จําแนกต่างกันอันนี้ ทางวิทยาศาสตร์ใช้ธาตุด้วยระบบคิดแบบหนึ่งแต่ของพุทธเนี่ยเรามองอีกระบบหนึ่งอย่ไปสับสมคนเปนกั น, น, าา น, นาการสื่อการดำเนินกาครับญาติแต่งงานไปเมื่อไรของพุทธการนะครับที่วัอที่พ ร, ระอาจารย์พูดถึงว่าได้มีหลายๆท่าน่ะที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้พระพุทธเจ้าได้เทศ ได้ตัดสับอกให้แล้วก็ได้บรรลุโซดารสินค้าค้าะแล้วทำให้เพียงแค่แค่ฝันแค่ได้โซดาโซดาบันการที่ในการที่เป็นอายุยาเนี่ยจะต้องผ่านสกสักการที่สิ่ิจารณ์สิประับประมาทในในกรณของโซดาเนี่ยนะทให้ไม่ได้ไม่ได้ีอแค่ฝังปั๊บเนี่ยจะได้โซดาเลย ปัญญาปัญญาในพุทธศาสนามีสแหล่งนะสุตตมรยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดใครครวญแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติใช่ไหมก่อนนี้เนี่ย ท, ที่ท่านมีเกิดเกิดปัญญาเห็นถึงขั้นโสดาบันเพราะว่าได้เห็นว่าโดยเพราะการที่เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเรา หรือการเห็นว่าอย่างเช่นที่พระสชชีได้พูดว่าพูดตนกระทั่งพระไศริบุญนะแล้วก็พระโมคคัลลานะเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตอนที่ยังเป็นมารณ์ก็บอกว่าเนี่ยสิ่งใดเกิดต่เกิดแต่เหตุนะสถาคตตัดถึงเหตุและการดับแห่งเหตุนั้นก็เกิดโสดาบรรลุธรรมเป็นโสดาบัน เพราะว่าทำให้เห็นว่าประโยคน์นี่นะมันแปลว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวตนทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดล้วอแล้วแต่เกิดจากเหตุปัจจัยเมื่อปัจจัยมีเมื่อเหตุมีก็เกิดเมื่อปัจจัยดับเหตุดับก็ดับมันก็แสด ง, งความเป็นอนัตตาท่านก็เห็นเนี่ยก็เกิดลัทธิปิติได้นะสังโยช น, นี่วิจิกิจชาก็คลายไปศิรพัตตาปรามากมันก็ดับไปจากการที่จะเกิดปัญยายเห็นอย่างนั้น พ่อบางท่านพ่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นแค่มีผงมีทุเรอยู่ในดวงตาแค่เคลียร์เอาทุเรีนั้นออกก็บรรลุธรรมแล้วงงไหมฮะ <c oughs> คือบางคนเนี่ยแค่ฟังก็เกิดอาการได้ยินแค่ปิ้งวาก <c oughs> ใช่ไหมปิ้งแว๊บเนี่ยนะแต่บางคนฟังเท่าไหร่ก็ไม่เก็ด <c oughs> ใช่ไหม เรายังอยู่ในโลกนะเราต้องเกี่ยวข้องกับโลกก็ต้องรู้จักสมมุตินะสมมุติน่ก็คือว่าสมมุติเขาว่านี่นี่ก็เป็นของเราหรือว่าที่จริงเนี่ยสมมติแม่ก็ท่าบอกว่าเนี่ยนี่คือฝาเนี่ยฝาถ้วยเนี่ยคำว่าฝาถ้วยก็เป็นสมมุตินะใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักแล้วก็ใช้มาให้เป็นนะคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ย เ็จะเาจะเห็นว่าสมมุติเนี่ยเป็นบบาที่ดีเป็นนายที่เร็วคือรู้จักใช้สมมุติแต่ไม่ให้สมมุติเนี่ยมาคลองใจเราไม่เป็นท่าของสมมติเพราะบางทีถ้าเราเป็นท่าของสมมุติเนี่ยเราเราเราจะทะเลาะกันได้นะเช่นบางคนเนี่ยบางคนจะบอกว่านี่ไม่ใช่ฝานี่คือนี่คือสแตนเลสใช่ก็เทียงอยู่นั่นแหละอาตมาบอกว่านี่คือฝาถ้วยคุณบอกนี่สแตนเลส มันก็จริงทั้งคู่อะ่ะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นสมมุติคนละแหน่ใช่ไหมดงั้นเราเนี่ยต้องรู้จักสมมติแต่อย่าให้อย่าเป็นท่าของสมมุติคราวนี้พระอรหันเนี่ยท่านรู้จักสมมุติดีท่านก็เลยไม่ยึดติดในสมมุติแต่ท่านใช้สมมุติท่านเนี่ยนะคนเราเนี่ยนะติดสมมุติได้ง่ายมากทุกอย่างเช่นอาหารอร่อยนะขาหมูพะโล กินก็ไปเคี้ยวไปในปากอร่อยใช่ไหมอร่อยนะมีความสุขสมมติคายออกมาวางไวท้ที่วางไวท้ที่ที่จานเนี่ยมันกลายเป็นอะไระไปแล้วขยะไปแล้วเมื่อกี้ยังอร่อยอยู่เลยเป็นอาหารเพียงแค่ออกจากปากในการเป็นขยะทันทีเลยทั้งที่ทุกอย่างเหมือนกันหมดนั้นในปากเรากับสิ่งที่คามมาเนี่ยใช่ไหม หลายคนเนี่ยพอคายมากินได้ไหมกลับไป ก, กินใ ห, ม, ห ม, ม่ได้ั้ยไม่ได้เออเมื่อกี้ยังอร่อยอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้ยังโอ้โหแซ่บอร่อยเนะโอ้แล้มันกินไม่ได้ทั้งที่ก็เหมือนกันหมดในในป่าเราที่ออกมานี่อันเดียวกันใช่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปตรงไห น, นไม่เปลี่ยนยังเหมือนเดิมตอนนั้นลูกมันยังรีู่ในป่ามันะเลเหมือนกันอยู่ในป่ามันก็เลกเหมือนกันสิ่งที่อยู่ในป่าและสิ่งที่คายมาเนี่ยเหมือนเดิมนะ องค์ประกอบทางเคมีฟิสิก์เหมือนเดิมแต่เราสมมุติมันเปลี่ยนตอนที่อยู่ในปากเราเรียกว่าอาหารตอนที่ออกจากปากเราเรียกว่าขยะแล้วพอเป็นขยะเราก็กินไม่ลงแต่ว่ามันอันเดียวกับสที่ในปากเราเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ยังบอกอร่อยอยู่เลยใช่ไหมเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจว่าเราติดก็แปลว่าเนี่ยหนึ่งสมมุติเนี่ยนะคือสมมุติเนี่ยมันมันพลิกผันไงอยู่ในปากเรียกวาอาหาร ออกมาจากป่าเลือกว่าขยะก็แปลว่าสมมุติเนี่ยมันเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนมันแปลเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับบริบทใช่ไหมและพอเราติดเราสมมุติเราถึงกลับไปกินไม่ได้ทั้งที่เมื่อกี้ยังอร่อยอยู่เลยใช่ไหมเพียงแค่ไม่ถึงวินาทีที่ออกมาจากป่าเรากลับกลับไปกินหมาไม่ได้นะเพราะเราไปเห็นว่ามันคือขยาใช่ไหมเนี่ยเข้าจะ เ, าเขาติดสมมุติมากและสมมติเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยคือ มันแปลเปลีปป่ยนไปตามบริบทมีพี่น้องสองคนคนหนึ่งเกิดที่เกิด ท, ที่แม่เกิดที่แม่สอดอีก right. คนหนึ่งเกิดที่อีกฝั่งหนึ่งของขอ ง, ของชายแดนคนหนึ่งเป็นไทยคนหนึ่งเป็นพมา่าสมมุติไหมทั้งที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันนะ่ะแต่เกิดคนละที่เนะี่ยคนละฝั่งของชายแดนนะ่ะคนหนึ่งเป็นพมา่าคนหงเป็นไทยสมมุติไหมแต่ว่าถเาติสมมติมากนะ ไอ้สองคนนี้ต้องเป็นศัตรูกันละเพราะคนนึงเป็นพมา่าคนหนึงเป็นไทยทั้งที่มาเป็นพ่อแม่เดียวกันใช่ไหมเพียงแค่เกิดคนละที่เป็นกายเป็นศัตรูเล้วนียเขาา้าใจนะสมมุติเนี่ยนะมันมันเป็นสิ่งที่เราควรรู้แต่เราต้องเท่าทันมันว่ามันอย่ไปยึดติดกับมันเพอาะถ้ายึดติดกับมันแล้วเนี่ยเราเป็นทุกข์หรือว่าสร้างความทุกข์แห่งการรัดกันเนี่ยคือพระอรหันต์เนี่ยนะท่านท่านท่านรู้สมมุติแล้วท่ า, านก็ใช้สมมุติเป็นะ ใช่ไหมแต่คนี้เราปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยนะเราก็เ้วก็เกี่ยวข้องกับไมเป็นคือว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องมีต้องอาศัยต้องมีปัจจัยสี่ใช่ไหมเราเ ป, ป็นปุถุชนเราต้องมีอาหารเราต้องมีเงินมีทองสำหรับเลี้ยงชีพใช่ไหมเราก็ทำมาหากินแต่ว่าเราไม่ยึดติดหมายความว่าไม่ยึดติดจนกระทั่งเป็นทุกข์เะมนกับเงินกับทองนะ่นะ พระเจ้าตรัสว่าเกี่ยวกับคำสอนเรื่องการพโภคีนะกา ร, รโหคีคือผู้บริโภคกางคือคาราวา น, นี่แหละพระเจ้าบอกว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องหาต้องรู้จักหาทรัพย์โดยชอบทำหาทรัพย์โดยวิธีการที่ชอบทำก็คือว่าโดวยวิธีการที่ถูกต้องใช่ไหมสอหาทรัพย์มาแล้วต้องใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์อย่าเก็บเอาไว้คนเดียว เก็บเอาไว้โดยไม่ใช้มีทรัพย์ต้องใช้นะผู้เจ้าตำหนนะีะเศรษฐีที่ร่ำรวยแต่ว่ากินข้าวปลายหักนะแล้วก็อยู่แบบซอมซ้อเนี่ยผู้เจ้าตำหน่นะว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์นะอย่าเป็นทาสของทรัพย์นะอย่าสยบมวัวเมาในต้องรักษาใจให้อิสระจาทรัพย์ อันนี้ก็เอามาใช้กับการดำเนินชีวิตประจาวันของพวกเราได้นะก็คือว่าเราก็ทำมาหาเงินทำมาหากินเรามีเงินเราใช้เราเรามีสัมมาชีวะแล้วเมื่อเราได้เงินมาเราก็ใช้ทรัพย์นั้นเพื่อเพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุขเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงวงศาคนาญาติแล้วก็อย่าลืมบำรุงศาสนาหรือว่าช่วยละส่วนรวมด้วยแต่รักษาใจให้เป็นอิสระจากทรัพย์นะ อันเนี้ยคุณก็เอาหลักการนี้ไปใช้ได้กับทุกอย่างคุณทํางานคุณก็เต็มที่กับงานแต่คุณก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันมากจนกระทั่งว่าท้า ง, งานงานล้มเหลวเครียดกลุ้มค่าตัวตายหลวงพ่ออาตมาท่านบอกว่าท่านบอกตลอดเวลาท่านเป็นพระที่ชอบทางานพัฒนานนะแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่กับชาวบ้านท่านก็บอกอยู่เสมอว่างานล้มเหลวแต่อาตมาไม่ล้มเหลวหมายความงานไม่ใช่ตัวกูของกูใช่ไหม ทำงานแต่งานไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูงานล้มเหลวก็ไม่ได้แปลกูล้มเหลวใช่ไหมเราจะไปยึดกับสิ่งใดว่าเป็นของเราเป็นของเราเช่นรถเนี่ยอย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราใครเข้าตําหนิรถจะไปโกรธเขาแต่ถ้าเราถ้าเราไปยึดมั่นว่ารถเป็นเราเป็นของเราไงตำหนิรถคือตําหนิเราใช่ไหมไม่ใช่เ้าตําหนิรถเขาไม่ได้เขาตำหนิเราอันนี้เนี่ยเราเราก็เราก็มีชุดอยู่แบบ ให้รู้เท่าทันในสมมติแต่ว่าไม่ยึดปั้นถือไม้กับมันมสิ่งใดมีเปรี่ยวเราก็ใช้ทางานก็ทำงานด้วยใจที่ปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางในผลแต่ทำเนี่ยประกอบเหตุเต็มที่นะอยาอ่าอาตมาพูดอย่างเงี้ยอาตมาก็พยายามพูดตั้งใจพูดแต่ผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งยมฟังไม่รู้เรื่องก็อาตมาก็ไม่ทุกข์อะไรเพราะอาตมาทาเต็มที่แล้วนะ เรียกว่าอัตมาเขียงสี่เล่อหนึ่งนะชื่อว่าทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสอัตมาก็พูดเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเรื่องผลใช่ไหมบางทีก็พูดไม่ดีก็มีบางทีพูดคนไม่ไม่เข้าใจก็มีใช่ไหมบางทีพูดแล้วคนหาว่าไม่รู้เรื่องก็มีบางทีตําหนิต่อว่าก็มีอัตมาทำเต็มที่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ซีเรียสในผล นะคุณทํางานคุณก็ทําเต็มที่แต่อย่าสีเรียสในผลนะอันเนี้ยคือวิธีการทํางานแบบทํางานแบบปฏิบัติธรรมอ่ะแต่ว่าเวลาทําอะไรอย่าหวังผลมากนะแต่ทําเต็มที่นะนี่คือสาระของสาระของระอะไรนะที่ตมาลืมไปแล้วที่ลอยเรือเนี่ย ครับอะพร ะ, พะมาชนกนะเออเดีย๋ยวนี้ความตาตัตมานี่มันจะแย่แล้วนะเริ่มจะแย่แล้วพระมาชนกเนี่ยนะจะมีฉากสําคัญฉากหนึ่งนะก็คือฉากที่เรือแตกนะเรือเดินสมุทรแตกแล้วก็ท่านต้องลอยคออยู่กลางทะเลนะถ้าล อ, อยคอยกลางทะเลเนี่ยหน้าที่ก็คือต้องไหว้เข้าฝั่งรักษาชีวิตเอาไว้ต้องไหว้เข้าฝั่งแต่ไหว้เจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่เห็นฝั่งก็ยังไหว้ บอกว่าเรื่องนี้ร้อนพระอินทร์ก็ร้อนอาด ก, mm. ก็บอกให้ mm. นาง mm. นางมณีแม่ขลา mm. ซึ่งนะัทําหน้าที่ช่วยช่วยคนที่อยู่ในทะเลเนีมามาช่วยพระมาชนก mm. นางมณีแม่ขลามาเนี่ยแทนที่จะช่วยทันที mm. ก็สงสัยว่าทำไมพระมาชนกเนี่ยยังมีความเพียร mm. สะนั้นที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่เห็นฝั่งเลย ก็ถามว่าท่านทำไปทำไมใช่ไหมพระมากชก็ตอบว่าเพราะเราเห็นประโยชน์ของความเพียรถึงแม้ไม่เห็นฟังก็ยังไหวยต่อไปนางนี่แม่ขลาก็ถามต่อไปว่าเพียรไปทำไมใ น, นเมื่อเพียรไ่ก็เปล่าประโยชน์คือมองไม่เห็นฟังอ่ะพระมากชก็ตอบว่าคนเราเนี่ยนะเมื่อเมื่อทำความเพียรอย่างเต็มเต็มที่นะแม้ไม่สำเร็จ ก็ใครเทวดาก็ตอบว่าไม่ได้นะผู้คนก็ตอบว่าไม่ได้และท่านก็กล่าวตอไปว่าคนหลายคนเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าจะทำอะไรและและทำสิ่งนั้นด้วยความเพียรพยายามเนี่ยประโยชน์แห่งความเพียรย่อมเกิดขึ้นนะคือเห็นไหมครับคือพ่อมาชลเนี่ยท่านแม้จะไม่เห็นผลว่าจะสำเร็จ แต่ท่านก็ทำเต็มที่ใช่ไหฮะอันนี้เรียกว่าเป็นคติของชาวพุทธก็คือว่าแม้จะไม่สำเร็จแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ควรทำก็ต้องทำนะอันนี้เรียกทำแบบปล่อยวางเหมือนกันนะคือว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในผลว่าจะต้องสำเร็จถึงไม่สำเร็จก็ยังต้องทำถ้ามันมีประโยชน์นะอันนี้ก็ความหมายจึงของว่าทาเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะ หรือที่อาจารย์วุฒาใช้คำว่าทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างดังนั้นปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของพรามนะมันสามารถจะทําได้ในชีวิตประจําวันปล่อยวางคือการทําจิตแต่ยังทํากิจต่อไปคนไม่เข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทำไม่ทำกิจต้องแยกนะปล่อยวางคือการทําจิตส่วนการทํากิจยังต้องทําต่อไปนะเช่นป่วยนะ ถ้อาอรหันเนี่ยท่านป่ว ย, ยท่านก็ก็รู้ว่านะรารังกายไม่ใช่ของเราแต่ท่านก็ยังทํากิจก็คือว่าดูแลรักษาร่างกายหายไม่หายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งร่างกายไม่ใช่ของเร า, านะเออตายก็ได้หายก็ดีฮนะร่างกายไม่ใช่ของเรานะแต่ถ้าป่วยเรามีหน้าที่ต้องรักษา แต่เรารักษาด้วยใจที่ปล่อยวางปล่อยวางว่าไม่ใช่ร่องกายที่ไม่ใช่ของเราคนไม่จะคิดว่าแล้วถ้าไม่ยื้เป็นของเราแล้วมันจะก็ต้องก็ต้องปล่อยทิ้งไปเลยเลอาตมาถามสักหน่อยนะเวลาคุณยืมโทรศัพท์มือถือใครมายืมรถใครมาเนี่ยรถนั้นไม่ใช่ของคุณใช่ไหมก็แสดงว่าจะใช้มันแบบแลกตุ้เป้งไงก็ได้ใช่ไหมยอย่างนี้สมควรหรือเป่า ถึงแม้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่รถของเราไม่ใช่ไม่ใช่โทรัพท์ของเร า, ร เ, ราเราก็ต้องดูแลรักษาใช่ไหมฮะและคืนให้คืนมันในสภาพที่ดีที่สุดอันนี้เรียกว่าทำกิจแล้วก็ทำจิตด้วยคือว่ากิจก็คือทำเต็มที่ส่วนจิตก็คือปล่อยวางนะทนที่ปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยคือปล่อยวางที่ใจคือไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่ายังทากิจต่อไป ในเรื่องเล่าว่าสมัยหลวงพ่อชาเนี่ยท่านงมีชีวิตยอยู่เนี่ยตองประพงเนี่ยก็ยังตอนนั้นยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีคนมาไม่ค่อยมีคนมาขึ้นเท่าไหรน่นะงั้นกุฏิก็จะเป็นกุฏิแบบง่ายๆคือว่าเป็นมุงจากมุงยาคาหลังคาครั้งหนึ่งก็มีพายุแล้วกุฏิหลังหนึ่งเนี่ยโดนพายุพัดหลังคาเนี่ยหายไป หายไปครึ่งหนึ่งหายไปเป็นแถบเลยพระที่อยู่ในในกุฏิแล้วเนี่ยท่านก็ก็ยังนั่งภาวนาอยู่ฝนตกมาท่านก็หลบฝนตกมาที่ท่านก็หลบมา ท, งงม า, ท, งทงางนี้ฝนร่วมาทางนี่ท่านก็หลบไปอางนี้หลวงพ่อชาก็เลยถามว่าท่านทําอะไรทําไมไม่ซ่อมหลังคาพระต่างตอกบอกว่าผมกำลังฝึกการปล่อยวางครับหลวงพ่อชาก็บอกว่าปล่อยวางแบบพูดนี่มันต้องใช้ปัญญามันไม่ใช่แบบวางเฉยแบบวัวแกบบแบบแบบควาย ปล่อยวางก็แปลว่าป่วยก็ต้องรักษาหลังคารั่วก็ต้องซ่อมแต่ใจไม่ทุกซ่อมไม่ได้ก็ไม่ทุกนะเข้าใจนะฮะปล่อยวางเนี่ยนะวัราะนั้นเนี่ยเราต้องเอามาใช้ให้ถูกนะต้องขออนุญาตจะาที่ทา